อ่าพระอาจารย์มาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นหน้าจอนะครับพระอาจารย์ครับกล่าวในพิธีกาครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพอาจารย์ครับวันนี้กลับมาจัดรายการปกติที่บ้านแล้วครับไม่มีเสียงไม่มีเสียงดีเลยนะครับเท่านั้นจะมีช่วงดีเลยอยู่สองสามวินาทีครับอาจารย์ครับพอาจารย์ครับวันนี้ไปบินถบายคนเยอะไหมครับผม ประมาณสามร้อยกว่าเป็นปกติสามร้อยยี่สิบกว่าครับผมวันนี้วันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่ร้อยสิบแปดแล้วครับอาจารย์ครับวันนี้ขอประเด็นหลักในศาสนาในเรื่องของกรรมที่คนสนใจกันเยอะมากเลยครับก็เลยขอความเมตตาพระอาจารย์ผมตั้งชื่อเรื่องวันนี้ว่าเกิดมาก่อกรรมหรือว่าใช้มีกรรมครับอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับคือกรรมนี่มันมีสองส่วน กรรมที่เป็นเหตุและกรรมที่เป็นผลกรรมที่เป็นผลก็คือวิบากผลที่เกิดจากการกระทำของเราในอดีตแลวมันมาส่งผลในชาตินี้อันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเหมือนไฟบังคับต้องเจอเมื่อมันถึงเวลาที่จะออกดอกออกผลมันก็แสดงผลสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนถ้าเป็นบาปผลของบาป ถ้าเป็นผลของบุญก็สร้างความเจริญสร้างความสัขดให้กับเราอาจจะอยู่ดีๆสอมหล่นมาถูกกระตร้นในวันที่หนึ่งหรืออะไรทำนองนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้ใช่ไหมเพราเราทําไปแล้วเหตุมันทําไปแล้วแน่นดีนถ้าชาติก่อนเคยทําบุญหลายร้อยล้านนี้อันนี้กลับมามันดีขึ้นดีอาจจะถูกหวยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้ใช้อใบเดียวก็ถูก ส่วนผลบาปเกิดไปทําร้ายผู้อื่นนู้นเขากลับในเวรเขาตามมาทันเขาก็เจอเราเขาก็ชุบตีเราแล้วทำร้ายร่างกายเราอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของมิบากรรมถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเจอกันทุกคนถ้าไม่ได้เจอก็ต้องอย่ามาเกิดนมาั้ครบอย่ามาเกิดเมื่อไม่มีร่างกายแล้วก็จะไม่มีผลที่จะมากระทบทางร่างกาย อันนี้คือเรื่องของวิบากคือเรื่องผลของกรรมเราทํากรรมมันได้ไว่าดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนัน้นนี่กรรมที่เป็นผลเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าไม่ให้มันเกิดหรือไมห่หรให้มันเกิดเมื่อไหร่มันทำไม่ได้มันถึงเวลามันมาเองส่วนกรรมที่เป็นผลกรรมที่เป็นเหตุ กการกระทาทางกายวาจาใจนี้เราสามารถเลือกทำได้กรรมนี่มีสามสามชนิดด้วยกันกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปและกรรมที่เป็นกลางไม่ไม่บุ ญ, ไ ม, บญไม่บาปซึ่งเราก็ทํากันในในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บางเวลาเราก็ทําบุญบางเวลาเราก็ทําบาปบางเวลาเราก็ทํา บุญไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปคือการทําบุญนี้บิดคานิยามว่าการทําคุณทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นและกับตนเองเช่นเราให้เงินช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนรับก็ได้ได้ความสุขได้ได้ผลประโยชน์คนให้ก็ได้ความสุขใจอิ่มใจอันนี้เลยว่าเป็นการกระทำที่เกิดเกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งผู้รับและผู้ให้ สองบาปก็คือการกระทําที่เกิดโทษอยากผู้รับและผู้ให้เวลาเราไปทําร้ายผู้อื่นหรือไปข้อโกงลักทรัพย์ของผู้อื่นผู้ที่ถูกลักทรัพย์ก็ต้องเกิดความเสียหายเดือดร้อนผู้ที่กระทําก็เกิดความไม่สบายใจก็ะจะต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกจับไปลงโทษอันนี้ก็เป็นเรื่องบาปส่วนการกระทํากลา ร, ก, าร ก, ก็คือการกระทําที่ ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นแต่อาจจะเกิดประโยชน์กับเราเช่นเราอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารออกกําลังกายไปช็อปปิ้งซื้อของจําเป็นต่อการใช้สอยอะไรของเราเลยอันนี้มันเป็นเป็นการกระทําที่เป็นกลางคือไม่ได้ทําให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นกับจิตใจเราก็ไม่เกิดคุณประโยชน์เลยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราเท่านั้นเองที่เราทําทุกวันนี้อันนี้ถือว่าเป็นกรรม กลางๆอันนี้เราเลือกทํากันเ ร, เราเลือกทําบุญกันได้เลือกจะทําบาป ก, ก็ได้แล้วก็ทําที่เป็นกลางๆบางทีก็บางทีมันถูกความจําเป็นบนะครับก็ต้องทําเช่นร่างกายต้องเี้ยงดูร่างกายนี้เราก็ต้องมีปัจจัยสีต้องหาปัจจัยสีมาให้ร่างกายการเลี้ยงดนร่างกายนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป เนี่ยก็อยู่ที่เราว่าเราจะทําทําบุญดีแล้วทำบาปดีก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราเอามาคบค้าสมาคงด้วยทีเดียวถ้าเราเจอบัณฑิตหรือเจอคนพานเจอคนพานก็บอกก็จะชวนเราไปทําบาปไปเสเซไปมุกกันถ้าเจอบัณฑิตบัณฑิตก็จะชวนให้เราไปทําทานรักษาศีลภาวนาเพื่อเราจะได้ไปนิพพานกันะ พะอาารย์เป็นสอนในมงคลอสุจข้อแรกอ่ะให้คบบันเด็จให้คบคนที่ก็ชวนเราไปในทางที่ดีอย่าไปคบคนที่ชวนเราไปในทางที่ไม่ดีเช่นคนชอบอบายมุขชอบทําบาปนี้เป็นคนที่อย่าไปสนิทชื่อชอบกับเขาคือรู้จกักกันได้ถ้ามีความจําเป็นต้องมีทำธุระร่วมกันอะไรบางอย่างมาทําไปแต่จะไม่ให้เขามาชอบจูงเราไปในทางที่ไม่ดี เลิก ง, งานแล้วก็ชวนเราไปดื่มสุราอย่างนี้ววเราก็ขอตัวบอกต้องกลับบ้านนอะไรก็ว่าไปแล้วก็ชวนเราไปเล่นการมา น, นันมีบ่อนอะไรทำเราเนีน้เราก็ไม่ไปอันนี้ก็เป็นเหตุที่ที่ทําให้เราไปทําทําบุญหรือทําบาปถ้าพบคนดีคนฉลาดเขาจะชวนเราไปทําบุญไปทําทานไปรักษาศีลไปภาวนา โปรตีนจะได้ไม่ตกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมารับใชก้กรรมอีกต่อไปแต่ถ้าเป็นกบคนพานที่ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่รู้เรื่องวิญญานไม่รู้เรื่อง ม, มองมียบต่างตายก็คิดว่าเกิดมาเพื่อหาความสุขความสุขทางรูปเสียงจินแล้วนก็คืออบายมุกเรื่องการพนันเดิมพสุราเที่ยวตะเที่ยวกลางคืนนี่เป็นเรื่องของคนที่ เป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีปัญญาแล้ว่ังเป็นคนผ่านคนไม่ฉลาดอย่างคนที่ไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่รู้เรื่องการเมนว่าวตายเกิดไม่รู้เรื่องปฏิพานธ์ไอ้กบัณฑิตก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเนี่เป็นบรรณสุญญาของบัณฑิตก็คือพระพุทธเจวกับพระอัลันตสาวกของพระพุทธเจ้า ถ้าไปขอบว่าท่านไ้เชวญเราทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาท่านท่านจะไม่ช่วญเราไปทําอย่างอื่นนี่ก็นี่ก็คือเรื่องเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือเชื่อมสร้างกรรมแล้วทั้งสองอย่างกรรมเก่าที่ทําไว้ก็ต้องใช้เวลามันเกิดขึ้นมารับผลของกรรมส่วนกรรมใหม่นี่เราเลือกทําได้อยู่ที่ว่าเรารู้ว่าทำแล้วจะเกิดอะไรตามมา ทำบุญแล้วได้อะไราตามมาทำบาปแลได้อะไราตามมาแต่ถ้าเราไม่รู้เราบางคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปคิดว่าเป็นเรื่องเพรื่อเจริญโลกสวรรค์นิพพานนี้เป็นเรื่องเพรื่อเจริตายแล้วก็ศูนย์มีแต่ร่างกายร่างกายตายไปแล้วใครไปรับผลบุญผลบาปนี่คือพวกที่มีสัมมิจฉาทิฏฐิจะเห็นอย่างนี้ยังไม่เห็นว่ามีมใจผู้สั่การซึ่งเป็นผู้กระทำที่แท้จริงสั่การผ่านทางร่างกายทางวาจา ให้ผู้ได้ทำบุญแล้ให้ผู้ได้ทำบาปแล้วผู้ที่รับผลบุญ ผ, ผ, ผลบาปก็คือใจผู้สัมการไม่ใช่นางกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่า น, นั้นเองมือนรถยนต์เนี้ยคุณบอกคนขับรถไปชนคนตายนี่ตำรวจก็จับรถจนไปขังนะเขเอาคนขับใช่ไอมรถยนต์เป็นเพียงแต่เครื่องมือเท่านี้สรุปว่าก็ ที่ทว่าตั้งหัวข้อชื่อนี้มาก็ถูกต้องทั้งสองอย่างใช่ไหมครับสองอย่างเร <c oughs> ื่รับกรรมนี้มันก็เรีย ก, เ ร, ยกเรียกไม่ได้เหมันเหมือนไฟบังคับเนี่ยถ้าถึงเวลามันเกิดก็ต้องรับผลไป <c oughs> ส่วนเรื่องการสร้างกรรมนี้เราเลือกสร้างกรรมดีก็ได้สร้างกรรมชื่วก็ได้กลาวขอบพระคุณพระอาจารย์ครับมีหลายคําถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมมาวันนี้เต็มเลยครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านคําถามจาก เ, เพื่อนๆนะครับจากคุณสมพรครับ เขาบอกว่าเกิดมาเพื่อทำความดีเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องทำความดีต้องดีในหลักของบัพทธศาสนาเพื่อเพื่อให้สองจิตเราไปนิพพานก็ต้องทำความดีด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาถึงจเป็นความคิดที่ถูกต้องถ้าทำความดีให้เป็นคนดีในสังคมให้คนเขายกย่องนับถือให้ให้เกียรติยศให้อะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าดีพอ ดีระดับระดับทานแตไม่ได้ทำรักษาศีลและไม่ได้ภาวนาซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่ต้องทำถ้าอยากจะได้ผลอันอันสุดยอดของการทำความดีเมื่อกี้ก่อนพระอาจารย์มาผมลองบอกว่าคนคิดว่าเกิดมาใช้กรรมและกรรมที่รับรับกรรมกรรมที่ตัวเองรับตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับคุณพรพิมลบอกว่าเกิดมาช่วงแรกมีความสุขแต่บ้านปลายมีเรื่องเจ็บป่วยค่ะ อันนั้ก็เป็นผลของการเมาเกิดการมีร่างกายซึ่งเป็นเรื่องกฎของตายรักไม่ใช่เรื่องของกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเจ็บป่วยเหมือนกันพระราห์ก็ต้องเจ็บป่วยเหมือนกันทางร่างกายแต่ใจท่านไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บป่วยน้ต่างกันตรงนั้นแต่เรื่องทร่างกายนี้ไม่ยกเว้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธชนถ้าก็มาเกิดแล้วก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคน คุณเขมจิราบอกว่าทั้งสุขและทุกข์เพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตครับอาจารย์ก็เพลินมันจะ ก, ก่อนจะเจอความทุกข์แล้วมันก็จะมันก็จะรู้สึกขึ้นมาอกทีว่าโอ้ชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์เนี่ยความสุขมันก็หายไปไหนหมดนะคุณใบบุญบอกว่าเกิดมาพบกรรมทุกเรื่องทุกเรื่องค่ะเกิดแก่เจ็บหนักแต่โชคดีมาพบธรรมะครับๆๆอาจารย์ ธรรมะจะช่วยให้ให้ทุกเพียงครึ่งเดียวคือทุกทางร่างกายนตใจเราจะไม่ต้องทุกข์กับมันถ้าไม่มีธรรมะก็ต้องทุกข์ทั้งสองสองด้านเลยทุกทางกายแล้วก็มาทุกข์ทางใจด้วยคุณอัชลาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้นี่กรรมเก่าที่สร้างไว้ใช้หมดก็จบและจากการขาดทาได้อย่าสร้างกรรมใหม่อีกครับอย่างนี้เข้าใจถูกไหมครับ มันพูดได้แต่ก็เราไม่รู้เราทามากน้อยเท่าไหร่ภพชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี่มันนําไม่ท่วงแล้วกรรมที่เราทําแต่และพบแต่ละชาตินี่มันส่งผลมามากน้อยเทไร่เราก็ไม่รู้ไม่มีวันหมดหรอกกรรมที่เราทําที่เราสร้างไว้ย้ายไปหมดก็คือเราต้องอย่ามาเกิดเทอานั้นเองแล้วมันก็จะไม่สามารถส่งผลให้กับเราได้ คุณอรพินบอกว่าเกิดมาใช้กรรมของชาติก่อนแต่ชาตินี้พยายามทํากรรมดีครับอาจารย์อก็ดีถูกต้องคุณนะบอกว่ากรรมสามารถใช้ได้หมดในชาตินี้ได้ไหมครับไม่มีใครพระพุทธเจ้าจไม่เคยพูดว่าใช้กรรมได้หมดก็คิดว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดเราทํากรรมมามากมาก า, า, ายกองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันหมดหรือไม่หมด แ ล, แล้วแต่มันมันมันมันเราไปกําหนดไม่ได้เรื่องของพลของกรรมนี่เราจะบอกว่าหมดแล้วนะแค่นี้พอแล้วนะมันหมดไม่ได้ถ้ามันหมดมันก็หมดถ้ามันไม่หมดก็ไม่หมดคุณสยามถามว่ารูปปภมมีความกําหนัดในรูปปัจจานแต่ยังมีตาหูจมูกลิ้นไว้ทําอะไรครับเพราะท่านไม่มีการาราคะครับคือ มันพูดยังไงไม่ทราบยังมีตาหูจมูกเล้นไหวทําอะไรก็ยังมีร่างกายคนเราจะเข้าฌานก็ต้องมีร่างกายถึงจะเข้าฌานได้่ยเราไปเป็นนักบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิเข้าฌานแต่ก็ไม่ได้ตาหูตาจมูกเล่นกายเพราะว่าเห็นว่าเป็นความสุขแบบยากคนที่หาความสุขจากรูปประชาเรื่องรูปประชานนี้เขาเห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี่เป็นความสุขแบบยาก แล้วก็เปความสุขที่สั้นไม่ยังยืนเหมือนความสุขที่ได้จากการเข้าฌานเขาก็เลยเข้าฌานแต่ร่างกายเขาก็ยังก็ต้องมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่ใช้ตาหูจมูกนิ้นกายแล้วนั้นงนีเ้เพื่อเพื่อเสพความสุขจากรูปเสียงกล็ดรดแต่เา็าต้องใช้ตาเวลาเ้าเดินไปไหนมาไหนเ้าก็ต้องมีตาดูว่าเขาทาอะไรอยู่หูเาก็ยังก็มีไว้ฟังอยู่แต่ไม่ได้เอาไวเพื่อเพื่อเสพกาง ก็ยังมีไว้ใช้อยู่เพื่อนํำมาไปใช้กับการเข้าฌานมีคนถามเรื่องประเด็นสังคมที่ตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่อที่มีรูปปั้นที่เป็นสกา ร, ระบูชาช่วงนี้ก็บอกว่าพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับก็เป็นเรื่องความงงงานยนะเป็นรู้เป็นใครมาจากไรเขาปั้นขึ้นมาแล้วก็สมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็เชื่อกัน สมมติว่ามีสรรคุณวิเศษอย่างนั้นอยู่นี้คนที่อยากจะได้ได้อะไรง่ายๆแบบที่ไม่ต้องทําอะไรก็เชื่อให้ไปกราบไหว้เพียงแต่จุดทูบเทียนสามดอกก็ได้สิ่งที่อยากได้แล้วก็เขาก็เชื่อกันเลยไม่มีไม่มีไม่มีตักกะไม่มีอะไรมาลองรับความจริงอันนี้ไม่มีใครพิสูจน์ว่าอยากจะได้ตําแหน่งนายกหรือไปกราบอันนี้เขาจะได้เป็นนายกขึ้นมาทันที อยากจะได้อะไรแล้วไปกาบแล้วนั้นมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของความเชื่อความงมงายของคนวันนี้จำวาเห็นบังเอิญไปไปกราบแล้วได้เลขสองสองตัวมาไปทางถูกเข้า <Okay. S 1> อย <c oughs> ก็เลยโอ้แม่นยำเนี่ยก็ไม่ใช่แต่เฉพาะอรูปปั้นอันนี้นะรูปปั้นทางพระพุทธรูปก็มีเยอะแยะที่เข้าไปกราบไหว้กันพระพุทธรูปวัดนั้นวันนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ขอพรได้อย่างนั้นอย่างนี้ มันก็เป็นเรื่องขององบเงินั้นั้นแหะมันเป็นวัตถุมันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งมันไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่เราถูกปั่นขึ้นมาก็ใช่ไหมเข้าใจคำว่าปันนะ่นไหมคุณค่าขึ้นมาแล้วก็มีหน้ามามาลองรับเฮ้ยผมถูกด้านถูกนี่ผมได้นู่นได้นี่เป็นการตลาดขายตุ๊กตาห า, หาไรายได้ให้กับกลุ่มคนหนึ่ง อยู่เบื้องหลังการสร้างตุ๊ตกตาตัวนี้ขึ้นมาหลอกประชาชนเท่านั้นเองครับเอาใจให้เชื่อให้เชื่อกดแห่งกรรมอย่างเดียวอยากจะได้นีได้ดีทําความดีไปแต่มันช้าแล้วมันก็ใช้เวลาไม่ใช่ทาปุ๊บได้ปับ๊บคนสมัยนี้ใจร้อนเหมือนจํารวดเนี่ยมันอยากจะได้อะไรปับ๊บต้องได้ทันทีนแล้วไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่กดปุ่มเท่านันนันเป็นไปได้ ดูเจ้าสวต่างๆกว่าก็าจะเป็นเจ้าสวยได้นะครับต้องอดอดทนกินอะไรอดมือกินมืออยู่มากี่ปีได้กันเสียบายนอนหมอนใบเนี่ยแต่เขาทำด้วยความพยายามั่นเพียรด้วยความอดทนอย่างที่บอกต้องมีเนี่ยทำหนังสีอธิษฐานสัจจะมีวิริยะคันเติยจะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้ ไม่ใช่อยู่ดีๆมาจุดทูบเทียนสามดอกแล้วก็ได้นะอยากจะได้อะไรก็ขอไปเลยอันนี้เป็นเรื่องของความมุงายคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่มีสมาธิิคนที่มีสมาธิิจะรู้ว่ามันเหตุที่จะทําให้เราดีชื่วยอยู่ที่การกระทําของเรามันถ้าอยู่ที่การกับว่าวัตถุได้วัตถุหนึ่งจึงได้สิ่งหนึ่ง จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการผ่านเวทนาด้วยการทำใจให้ชอบความเจ็บต้องทำอย่างไรคะเป็นไปได้หรือคะกับความเมตตาครับเวลามันเจ็บก็ถ้าเราชอบเราก็จะเราก็จะไม่อยากให้มันหายไปเราก็อยากจะให้มันอยู่ใช่ไหมเหมือ น, นเวลาเราเจอความสุขเราก็ไม่อยากจะให้มันหายไปจากเราอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆอันนี้เป็นเป็นอุบาย ย, ย้อนสอนของใจที่ไม่ชอบความเจ็บเนี่ย พอเราไม่ชอบความเจ็บพราะว่าเจ็บขึ้นมาเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราเราไม่ชอบเราไม่อยากได้เราอยากให้มันหายไปพอมันไม่หายมันก็เลยทําให้เราทุกข์เรวกาพลิกกับสิก็อดชอบมันสิก็เหมือนเวลาที่เราไปรับประทานอาหารบางอย่างที่เราไม่ชอบอย่างที่เราไปต่างประเทศสมมติเนี่ยเราไม่มีอาหารไทยเลยมีแต่มีแต่แม็โดนัลมีแต่ kf เซ ถ้าไม่กินก็อดตายนะมันก็กินไปเรื่อยๆกินไปบ่อยๆเข้ามันชินมันก็เกิดความชอบขึ้นมาเองแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยบางทีต้องไปหาที่อาหารฝรั่งมากินเพราะว่าติดมันนะให้เราติดความเจ็บได้ก็ยิ่งดีให้เราติดชอบความเจ็บเพราะเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนแล้วก็เฉยๆได้แต่มันทํําทาใจไม่ได้เพราะใจมันมันไม่ยอมมันไม่ยอม มันไม่ยอยากเจ็บมันไม่ต้องการความเจ็บแต่นี้ก็พูดเป็นเหมือนกับเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งสําหรับคนบางคนอาจจะทําได้คนที่ไม่ชอบกินพริกนี่เวลากินพริกนิดเดียวเผ็ดโอทรมานมากแต่คนที่ชอบกินพริกแค่กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันพริกกับพริกกันเดียวกันเนี่ยแต่ทําไมคนหนึ่งกับทุกทรมานกับการกินเ พ, พริกกับเป็นคนหนึ่งที่กินแล้วไม่ ไม่ทำอยู่ฝรัร่งกินเผ็ดพริกนิดเดียวเดือดร้อนต้องกินน้ำเป็นขวดเลยแต่คนไทยนี่ถูกเรียกมาสอนม า, นมากินกับเพร์มาตั้งแต่เด็กกินทั้งกำมือก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมันปรับรับกับสิ่งเหล่า น, นี้แล้วมันไม่ต่อต้านแล้วให้เรามาปรับรับกับความเจ็บอย่าไปต่อต้านความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปเพราะเราห้ามมันสั่งมันไม่ได้ เมันมามันก็มาแล้วเวลามันจะอยู่มันก็อยู่ถ้าเราไปไม่อยากให้มันอยู่อยากให้มันไปเราก็จะทุกข์เราก็จะเครียดขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับว่าอมันเป็นของที่เราบังคับไม่ได้ในท้ามันจะอยู่แล้วก็หัดชอบมันได้ก็หมดเรื่องถ้าเราอยู่กับของที่เราชอบได้มันก็มันก็ไม่เดือดร้อนก็จะไม่มีแรงต่อต้านไม่มีความอยากที่จะให้มันหายไปไม่มีวิภาวะตัณหา เปาหมายก็คือต้องพยายามทําทใจให้เราอย่าไปสร้างวิภลาสอันนาขึ้นมาเวลาเราเจอของที่เราไม่ชอบคุณกวงครับถามว่าจิตโล่งสบายแล้วภาวนาอย่างไรต่อครับก็ถ้ามันยังไม่นิ่งสงบมันก็ต้องภาวนาวต่อไปถ้ามันยังไม่นิ่งความคิดยัง ม, มีความคิดปลุกแต่งอยู่จิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ ยังไม่พบกับความสุขที่มหาหัดจันจารย์ก็ภาวนาต่อไปอ น, นี่เป็นเพลงแต่จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ความสงบคุณนันทรัตครับกรรมตกทอดมีจริงไหมคะเห็นบางคนบอกว่ากรรมใครกรรมมันแต่บางคนบอกพ่อแม่ทําไม่ดีกรรมก็ไปลงที่ลูกครับไม่ลงหรอกแต่อาจจะมีผลผลปล่อยได้เช่นพ่อแม่ล้มละลาย ลูกก็เลยต้องออกจากโรงเรียนไปเพราะแม่พอ่พอแม่ไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนหนังสือต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนโรงเรียนของรัฐนี่เมื่อก่อนเรียนโรงเรียนเอกชนแต่พอพ่อแม่ล้มละลายไม่มีเงินทองลูกก็พ่อแม่ไม่สามารถส่งเสียลูกได้ลูกก็ถูกผลกระทบแต่ น, นี่ไม่ใช่เป็นผลกรรมของลูกอันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดจากการรับผลกรรมของพ่อของแม่แต่มันไม่ถ่ายทอดกันเข้ามา คุณฟลอเซนแบรครับช่วงชีวิตที่เราต้องรับวิบากกรรมการนั่งสมาธิสวดมนต์จะช่วยให้ทุกสิ่งดีขึ้นได้จริงหรือไม่ครับคือทุกสิ่งมันก็จะเหมือนเดิมมันจะเกิดขึ้นตามตามบาระของมันแต่สิ่งที่จะดีขึ้นคือใจของเราใจของเราจะเน่งจะสุขจะสบายจะไม่ทุกข์ไม่เหื่อยล้ากับวิบากกรรมที่ปรากฏขึ้นในตอนนั้นถ้าเรานั่งสมาธิได้สวดมนต์ได้ใจเราก็จะเกิดอุเบกขาวางเฉย กรรวิบากกรรมที่กําลังปรากฏขึ้นมาคุณชิกกี้ครับกรรมอะไรที่ทําให้เกิดมาเป็นคนคิดมากสมองชอบดึงเรื่องคิดให้เราทุกใจบ่อยๆครับก็ชอบคิดมา ก, ม, ก, ม, กมันก็ทําให้คิดมากไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเลิกเป่อยถ้าอยากย้า้คิดน้อยก็ต้องฝึกสติจเจริญสติบ่อยๆแล้วความคิดก็จะน้อยลงไป คุณจูดี้ครับอยากถามว่าทําแต่ความดีแต่ทําไมไมีแต่กรรมเข้ามาครับก็อย่างที่บอกว่าการทําความดีเหมือนปลูกข้าวในวันนี้ซึ่งอาจจะต้องรออีกสามเดือนกว่าผลของต้นข้าวจ ะ, จะเจริญงอกงามขึ้นมาแต่กรรมไม่ดีนี่มันเราทำมาต้องอดีตชาติธรรมานานแล้วหลายปีแล้วอาจจะเป็นร้อยปีก็ได้มันก็เลยมีเวลาที่จ ะ, ะเติบโตขึ้นมาพอมาถึงเวลานี้มันก็เลยมา มันก็เลยมาแสดงผลในในพบนี้งั้นเราอย่าไปเอาแพ้ามาชนแกะกรรมดีของเราเ น, นี่ก็เรื่องของกรรมดีวิบากกรรมที่ไม่ดีก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ไม่ดีที่ทํามาในอดีตบาทีบางคนมันมาบ่นว่าทําดีไม่ได้ดีเลยแม้ แ, แต่ม้แต่เรื่องเหตเรื่อ้าอันนี้เพราะว่าประโยงกันผิดเนี่ยกรรมใหม่ที่เพิ่งทํามันยังไม่ส่งผลยังไม่มีโอกาสได้เจริญงอกงาม ส่วนกรรมเก่านี่ทํามานานแล้วมันมีเวลาจเจริญเติบโตงอกงามมันถึงส่งผลก่อน ค, คุณพัชรวัตรครับลูกขอโอกาสถามครับความโลภโลกรธหลงเป็นกรรมไหมครับเป็นเป็นอกุศลกรรมทางใจโลภโกรธหลงเนี่ยเกิดจากความคิดคิดอย่างได้นู่นคิดอย่างได้นนี่คิดเกณ่ยนนั่นเกี่ยนนี้ก็เกิดความหลงคิดว่าสิ่งนั้น ชาวนเป็นเป็นนิจังสุ ข, ขังอัตตาก็เป็นความหลงไปเป็นมีบาค ก, กรรมทางมนโนกรรมเรเียกมนโนกรรมแล้มีสามอย่างมนโนกรรมวจีกรรมนะกายกรรมกายกรรมก็คือการกระทําด้วยร่างกายของเราวจีกรรมก็คือการกระทําด้วยคําพูดด้วยการพูดมโนกรรมก็คือการกระทําด้วยความคิ ด, ค, ดคิดโอกคิดกอดคิดหลง คุณกันนิกาครับการเป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งเกิดจากกรรมเก่าไหมครับอันนี้ไม่ทราบนะเพราะว่าโรคมะเร็งนี่ยมันก็มันมันเรื่องสาเหตุของของทางร่างกายมากกว่าทางกรรมเก่าทางด้านจิตใจซึ่งมันอาจจะเกิดจากการบริโภคการไปรับสารต่างๆที่เป็นพิษต่อร่างกายเข้ามาถ้าที่ได้ได้ศึกษาได้ยินได้ฟ่ง แต่ถ้าเราได้รับแต่ของที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาเึง น, นิยมใช้ของออแกนิกกันอาหารออแกนิกอะไรเงี้ยเครื่องดืม่มออแกนิกของที่ไม่มีสารเจือปนสารที่ผลิตด้วยมนุษย์เนี่ยสารที่ผลิตมด้วยของมนุษย์นี่มักจะมีเป็นเป็นตัวสารก่อนมาเองอย่างสมัยแรกๆที่เขามีผลิตสารมาใช้แทนน้ําตาลไซโคลเมเลอะไพวกนี้ตอนตนั้นเขาดีกินแล้วไม่อ้วนไม่แคอลอรี่ไม่มี กินไปกินไปก็ไปวิจัยดูเอา้าเกิดมะเร็งขึ้นมาจากไอซานตัวนี้เขาก็เลยต้องยกเลิกไปห้ามห้ามผลิตแล้วก็มีตัวใหม่มาเดี๋ยวตัวใหม่เดี๋ยวก็พอเข้ามาทําการาวิจัยทำการทดลองทดสอบนูแล้วก็เจอเอีกนะส่วนใหญ่อาตารมาคิดว่ามันผลจากการบริโภคมากกว่าว่าพวกของกินเข้าไปหรือทางอากาศก็คือเราหายใจ แล้วเราไปอยู่ในที่มีอากาศที่มันพิษอยู่ใกล้โรงงานต่างๆอะไรโอกาสที่มันก็จะเกิดมะเร็งอะไรได้อันนี้คิดว่าเป็นเรื่องพฤติกรรมทางร่างกายมากกว่าทางด้านจิตใจครัขอโอกาสครับว่าจะตอบแบบวิทยาศาสตร์มากเลยคคืออย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าจีเนติกส์มีผลอยู่แค่ประมาณสัก 15% เองครับอาจารย์แล้วนอกกนั้นเราเป็นพวกเหนือจีเนติกส์หรือีพีจีเนติกส์ มีผลอยู่เจ็ดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ครับใช่การเก็บใช่ไหมครับถูกต้องเรีนเดกต้องจากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อาจารย์ตอบเหมือนนักวิทยาศาสตร์เอ่้เก็เรียนวิศวะมาเลยอ๋อใช่ครับวิศวะมันก็เรื่องวิทยาศาสตร์นะี่ยครับผมคุณเฟื่องครับ เวลานั่งภาวนาไปสักพักเหมือนไม่มีร่างกายแต่รู้ว่ากําลังนั่งแต่พอไปถึงจุดจุดหนึ่งเหมือนมีความรู้สึกมันครอบไปหมดมันเหมือนกว้างใหญ่มากว่างแบบโล่งๆเหมือนหรืออะไรสักอย่างอธิบายไม่ถูกเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ขอความเมตตาแนะนําการปฏิบัติเจ้าคะ่ะและถามต่อพอเป็นแบบนั้นที่ไรอีกใจนึกกลัวไม่กล้านั่งต่อและพอถอนออกมาหัวใจจะเต้นเร็วมากมันคืออะไรครับก็คือความตื่นตระหนกของเราเองความที่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็เลยทําให้เราวิตกกังวลไปความจริงเราไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เราภาวนาขอเราภาวนาต่อไปถ้าเราใช้กรรมวิการพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปเดี๋ยวถ้าพักอาการเหล่านี้มันก็จะจางหายไปเองเมื่อเราถึงจุดมาที่เราต้องการทุกอย่างก็จะหายไปหมดแล้วแต่ความว่างแล้วปะสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่ภาวนาก็ไม่มีอันตรายต่อจิตใจ ถ้าเราเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันเป็นเพลงการปรากฏการทาําทางภายในของใจที่เกิดจากการปรุงแต่งของใจเองทั้งเองไม่มีอะไรนันไม่ต้องไปตกใจต่อให้มีไปเจอกายกายอสูรกายมาโผก็ไม่ต้องไปตกใจมันก็เป็นการปรุงแต่งของใจสร้างภาพขึ้นมาหรอกใจเองถ้าเรามีพุโทโธมีสติเราเฉยๆไว้เท่า น, นั้นเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปเอง ถ้าไม่เฉยเนี่ยใจเราเริ่ม ก, กลัวเนี่มันก็ยิ่งไปสร้างความสร้างภาพหน้าหวันหน้ากลัวเพิ่มขึ้นมาอีกปรุงแต่งขึ้นไปใหญ่ถ้าเวลาภาวนาแล้วไม่ต้องไปนสนใจเวลามีอะไรปรากฏขึ้นเป็นภาพก็ดีเป็นเสียงก็ดีเป็นกลิ่นเป็นรถไเป็นอะไรก็ดีไม่ต้องไปให้ความสำคัญนี่ว่านี่นี่คือมาามายามายามาหลอกหลอนจิตใจของเรา ถ้าเราให้มีความหนั้น่นกับสติแล้วก็ใช้ปัญญาว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันมันจะเกิดเข้าไปมันเกิดไปนี่แต่มันจะทําร้ายเราไม่ไดไ้ไม่มีอะไรที่จะทําร้ายใจของเราได้นอกจากความกลัวของใจเองนั่นเองคุณประเทิงศักดิ์ครับ ทำบริกรรมใช้จิตนึกผมไม่ถนัดใช้ปากบริกรรมแต่ไม่ออกเสียงได้ไหมครับกลองทําในเดียก่อนก็ได้ถ้าบื้องต้นเราถ้าบริกรรมทางใจยังไม่ได้ก็ใช้ใช้ปากไปแต่ไม่ต้องออกเสียงดังพึมพำพึมพำไปก่อนก็ได้จนกว่เราจะทําภายในใจได้ทำไมเราคิดในใจได้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้เราคิดได้คิดจะด่าใครนี่เราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ปากใเรา่าคิดว่าไอ้นี่ มันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมวม่ให้คิดคําพูดโธรพูดโทรน้่คิดไม่ได้แบบปลกคุณสุปกรครับถ้าเรายืมสตางค์เพื่อนมาแล้วเราผ่อนเขาไปแต่ยังไม่หมดแล้วเราตายไปเราต้องไปรับกรรมอะไรบ้างคะเรายืมเขามาห้าห้าหมื่นครับก็แสดงว่าเราเป็นหนี้เขาสิช้านั่ก็อาจจะต้องไปใช้หนี้เขาไม่ได้ มันก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาด้วยถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะโกงเขานี่มันก็ถือไม่ถือว่าบาปเราก็ต้องมีความคําเข้าใจกับผู้ที่เรายิมได้ว่าตรงลงกันก็จะผ่อนไปเรื่อยๆเขาว่าโอเคแล้วเขาก็ไม่ติดใจว่าเวลาเราตายไปมันก็ไม่มีเวรไมีกรรมกันมันก็ไม่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบาปแต่อย่างใดเพราะไม่มีเจตนาที่จะโกงเขา ก็ไม่ถือว่าทําุญปานาไม่ถือว่าเป็นการกระทําอาทินนาการรักษ์คุณพอพิทครับกระเียนธนาคารไม่มีบํานาญปัจจุบันใช้เงินบํานาญของหุ้นส่วนชีวิตต่อไปต่อไปเราจะต้องไปใช้กรรมในชาติต่อไปไหมครับไม่ทราบใช้กรรมอะไรเลยไม่ทราบเางว่าเราไม่ได้ทำอะไรบาปอะไรไม่ใช่เลย มไม่ทําบาปมันก็ไม่มีกรรมที่เรามันต้องไปใช้ใ น, น, นอนาคตอาจจะเหมือนกับว่าไปเอาเงินของคู่ชีวิตมาใช้อย่างนีงน้ราาหรือปล่ า, าครับอาจารย์ครับท่านก็ให้หรือเปล่าท่านก็ให้เขถือว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนคู่คู่ชีวิตกันก็ต้องช่วยกันดูแลกันไปคู่เขาให้เราเขาก็เป็นเขาก็ได้บุญเราก็เป็นเหมือนพระแล้วก็รับการทําบุญของเขาไปถ้าไม่ได้บุญจากการทําบุญของญาติอยู่ แต่ก็ไม่มีไ ม, ไม่ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปขโมยเงินของเขามาใช้เขาให้ด้วยด้วยความยินยอมด้วยความยินดีก็ก็ไม่เป็นกรรมแต่อย่างใดคุณมาริสาครับมีความรู้สึกเซ็งและเบื่อหน่ายคนรอบข้างอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ในการวางใจเจ้าค่ะเราก็ต้องไว้าามองกัว่าคนรอบข้างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยที่บางวันก็ ดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนไปเรื่อยบาไวันก็จันสายบางวันก็ร้อนมางวันก็ฝนตกบางวันก็หนาวคนรอบข้างเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติแต่เราไปมองเขาว่าเป็นคนที่ต้องเป็นเหมือนเหมือนกันที่จะต้องเป็นคนดีที่จะให้มาบรบกวนเราอันนี้มันเป็นความความโง่งเขาองเราเองที่เราไปมองเขาผิดเราต้องมองเขาว่าเป็นอนัตตาเขาเป็นดินฟ้าอากาศเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนก็ยั่วยวนคนใจบางคนก็อะไรแล้วแต่สารพัดคนเราเปรียบ เ, เป็นเหมือนกับผลไม้ก็ได้เราอยู่ท่ามกลผลไม้ชนิดต่างๆเราจะต้องการให้ทุกคนเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเนี้ย่อเป็นไปไม่ได้เราหัดทําใจแล้วเราก็จะไม่รับคานถ้าเรารับเขาได้ว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ ต้องมองว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติครับคุณอัญญีครับดีใจและแปลกใจค่ะว่ามีอยู่วันหนึ่งทุกและเหนื่อยล้ากับการทำงานมากๆก็เลยนั่งหลับตาและภาวนาประมาณสิบนาทีรู้สึกนิ่งและสงบมากเมื่อออกจากสมาธิโล่งและสบายใจขึ้นมากค่ะเยียวยาวหัวใจได้มากเจ้าค่ะจากการน้อมนำคำสอนพระอาจารย์ฟังธรรมะบนเขาย้อนหลังมาเรื่อยๆนะครับ เนจะสาธุพยายามทํอย่างน้ไปเรื่อยๆวิธีที่ดับความทุกข์ดับความที่ที่ดีที่สุดที่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือการภาวนาเนี่ยนั่งรับความคิดปรุงแต่งพอใจอยู่ความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เราทุกความทุกข์มันก็หายไปแต่มันหายแบบชั่วคราวถ้าเรากลับไปคิดมันเองเนี่ยมันก็เป็นมันก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้รับคุณแจนนี่ครับ ถ้านำธรรมะโดนใจของพระอาจารย์หรือสรุปธรรมะอาจารย์ท่านอื่นๆไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วทาวิดีโอคําคมบนโซเชียลแล้วหาไรายได้แบบนี้เป็นสัมมาอาชีพหรือข้อควรระวังอะไรหรือไม่ครับคือของพวกนี้มันมีเจ้าของไงถ้าเราจะไปทาํารเราต้องไปขออนุ ญ, ญาตจากเจ้าของเก่อนว่าเขานุ ญ, ญาตให้เราไปทําได้หรือไม่อย่ากของเราดีเรอนุ ญ, ญาตให้ไปทําได้แต่ไม่ให้ทําเพื่อมีรายได้ให้ทําเป็นธรรมทาน ให้เอาไปเป็นเอาไปแจกพูดฟรีไม่คิดไม่คิดเงินทองอย่างเว็บที่มีคนดูสี่ล้านคนนั้นเขาก็ไม่ต้องมาขเขาไม่ต้องมาขออนุ ญ, ญาตเราวพาทุกหนังสือทุกเล่มเราก็เขียนไว้แล้วอบอกว่าถ้าจะเอาไปทำเผยแพร่ทรมาเป็นธรรมาทานก็เอาไปได้เลยไม่ต้องมาขออนุ ญ, ญาตกันคุณสีลีเกตครับ อยากเรียนถามพระ อ, อาจารย์ค่ะทำไมพี่น้องที่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันถึงได้ไม่ถูกกันมากเหมือนเป็นศัตรูกันตลอดถ้าตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ควรวางตัวอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ตอบไม่ตอกกรรมต่อกันครับไม่ตอกกรรมครับเอันเดีตชาติก็อาจจะเป็นคุเจ้ากรรมในเวรต่อกันเขาอาจจะเป็นคู่อะไรกันมาก่อนเนี่ยพอมันเจอกันชาตินี้ก็เลย ก, ก็จําได้มันมาเป็นคนแบบนี้ลักษณะนี้ท่าทางแบบนี้ พูแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ไม่ชอบขึ้นมาไม่ชอบก็เลยเกิดการต่อสู้กันอันนี้เป็นเรื่องของเพราะว่าร่างกายนี้มาจากพ่อแม่คนเดียวกันเหมือนกันแต่ใจนี้มาจากกรรมของแต่ละคนวนดวงวิญญาณที่มาเกิดมีมีดวงวิญญาณที่ดีและไม่ดีเกิดจากกรรมของเขาที่เขาทาํามาแล้วก็ทํากรรมดีก็เป็นดวงวิญญาณที่ดี มาเกิดก็จะเป็นคนดีคนที่มีกรรมไม่ดีก็มาเกิดก็จะเป็นคนไม่ดีแล้วก็จะมีความลักความชังลามต้นไปถ้ามันเจอสองคนที่มีความชังต่อกันมันก็เลยเกิดความชังขึ้นมานต้องทอําใจยอมแล้วว่านี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่าไปอย่าไปหวังอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เราดูตามความเป็นจริง เราเคพูดเสมอว่าให้เราอยู่บนหลักของความเป็นจริงอย่าไปอยู่บนหลักของความอยากถ้าไปอยู่บนหลักของความอยากแลเรากระทุ้งอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นพี่น้องกันรักกันอะไรดูแลกันมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกความจริงก็คือคนมันมาจากคนละทิศคนละทางัแล้วมาเกิดในท้องแม่แม่เดียวกันแล้วจะมาหวังให้รักกันมันไม่มันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันเคยเกลียดชังกันมาก่อนแน่ในอดีตชาติ พอมาเจอกันมันก็จะเกียดชังมันต่อไปคุณบีวิสครับเจ้ากรรมนายเวมีจริงไหมครับถ้ามีมันคือผลกรรมของตัวเราในอดีตรหรือใครหรือใครสักคนที่โกรธแค้นเราครับก็เราไปทำร้ายเขาในอดีตย่เี่ยหรือในชาตินี้ก็ได้ลองลองไปทำร้ายกันอยู่เถแล้ะดูเข า, ามาลักเราป่ะแล้วก็จะมาล้างแค้นเรา บุคคลนี้มาล้างแค้นเราก็คือเจ้ากรรมลายเวรของเราเลยเราไปทํากรรมเขาไว้ก่อนเราไปทําร้ายเขาก่อนเมน่อทําร้ายเขาแล้วเขาก็เขาก็อาฆาตพยาบาปเขาเจอเราเมื่อไหร่เขาก็จะล้าแค้นเราทันทีคุณเข็มจีลาครับหมดเวรหมดกรรมหมายถึงการไม่ต้องมาเกิดอีกหนูเข้าใจถูกต้องไหมคะใช่ถ้าไปนิพพานหนึ่งก็หมดเวรหมดกรรมแล้ว ถ้ายมาเกินอยูากเวรกรรมก็ยังไม่หมดลยูคุณอัชาราครับถ้าชาติที่แล้วเราผิดศรรรีลสร้างกรรมเช่นแย่งสามีหรือภรรยาของคนอื่นมาพบชาติหน้าถ้าบุญเรามีพอที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เราต้องผิดศรรีลสร้างกรรมหรือไม่เจ้าคะกรับขอบพระคุณค่ะมันก็เป็นนิสัยเราเคยทำอะไรไว้พอกรรมมาพอมีช่องมีจังหวะมีโอกาส ให้ทำาก็จะทำอีกนอกจากว่าเราได้มาพระพาะแบบผู้ศาสนาหรือศาสนาที่สอนให้คนไม่ประพฤติผิดประเพณีล้วเรามีความเชื่อในคำสอนนั้นถึงแม้ว่าเราอยากจะมีความอยากที่จะไปเป็นชู้กับใครก็ตามแต่พอเราเราถือศีลของศาสนานั้นเราก็อาจจะไม่กล้าทำก็ได้คุณมีนาครับ สองข้อนะคะพรอาจารย์ข้อที่หนึ่งการปฏิบัติโดยใช้ปัญญาอบรมสมาธิคืออะไรคะอยากทราบวิธีการและจุดประสงค์การปฏิบัติครับคือบางทีเวลาเราจะนั่งสมาธินิจใจเรายัางวุ่นวายกับปัญหาปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับคนนั้นกับคนนี้หรือกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ให้บริกรรพูทโธก็ไม่พูดโธให้ดูให้ดูลมก็ไม่ยอมดูลมยังคิดถึงเรื่องของปัญหานั้นอยู่แล้วก็เอา ปัญญามาวิเคราะห์ถึงปัญหานั้นว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้ปัญหานั้ น, ม, นมันหายไปอยากจะแต่แก้ปัญหาแล้วแก้ไม่ตกทถิทีมันยังค้างอยู่ในใจเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าบางทีปัญหาบางอย่างบางเรื่องเราแก้ไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอนัตตาทาอะไรไม่ได้เช่นเป็นโลกมะเร็งเนี้ย จะไม่ให้มันเป็นมันก็มันก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นก็ต้องเป็นแล้วเราก็เครียดกี่ับการเป็นโรคมะเ็งเวลามานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้วิตกกังวลกับโรคมะเ็งถ้าเราอยากจะทําให้ใจเราสามารถวิ่งแล้วมานั่งสมาธิต่อได้เราก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าโรคมะเร็งก็มันเป็นโรคที่เราไม่สามารถไปห้ามมันได้ไปสั่งมันได้มันเป็นรนัตตาเมื่อมันจะเป็นก็ต้องเป็นยอมรับมันไป พอเรายอยามรับว่าเป็นก็เป็นใจเราก็จะสงบลงเป็นปกติได้ไม่เครียดไม่วุ่นวายเราก็สามารถที่จะมานั่งสมาธิต่อได้ข้อที่2ครับเมื่อไหร่ที่เราควรเลือกใช้ระหว่างคําบริการพุทโธกับการใช้ปัญญาอบรมสมาธิครับถ้าเราใช้พุทโธได้ก็ไม่ใช้ปัญญาแต่ถ้าเราใช้พุทโธไม่ได้มีเรื่องขั้นค่ะ ค้างคายอยู่ในใจเราก็ต้องใช้ปัญญามามาทำให้ใจสงบก็เยอะต้องปล่อยวางให้ใจเห็นว่าเรื่องที่เราที่มันข้างค้างอยู่ในใจเราทำอะไรไม่ได้แก้มไม่ได้ก็ปล่อยให้มั น, เ ป, นเป็นไปตามเรื่องของมันอะไรจะเกิดก็เกิดต้องใช้หลักใจรักเวลาที่เราใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆให้ยอมรับว่าทุกอย่างมันเป็นใจรัก คุณไปตองครับการเจริญอานาปานาสติการดูแลดูและรู้ ก, กลมกายใจเข้าออกคือทําแบบไหนครับเราเพ่งดูที่ลมหายใจถือว่าผิดไหมครับอานาปนานสติแปลว่าการมีสติรู้อยู่การหายใจเข้าหายใจออกลมเข้าลมออกอนาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการระลึกรู้ก็ให้รู้ดูลมที่เข้ารูล้ลมที่ออก ตอนนี้เราหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าพอหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกดังนั้นเดงให้ดูที่ตรงไหนดีก็มีอยู่สองที่ที่ชัดก็ที่ปลายจมกูกปลายจมกูกเวลาลมเข้าลมออกมันจะสัมผัสอยู่ที่ปลายจมกูกถ้าเราสามารถรับรู้ตรงนั้นได้ก็ให้รู้อยู่ตรงนั้นอีกอีกที่หนึ่งก็คือที่หน้าท้องเราเวลาลมเข้าท้องเราจะพองขึ้นมาเวลาลมออกท้องก็จะยุบเข้าไปเราก็ดูในสองที่ ที่เขาเรียกว่ายุบหนอพองหน่อก็พวกที่ดูที่หน้าท้องในหน้าอกหน้าท้อ ง, อง <Okay. S 1> ไม่ได้ดูด้วยตาดูดูด้วยใจดูด้วยความรับรู้เวลานั่งสมาธิเราจะหลับตากั น, นะก็ <Okay. S 1> ใช้การสัมผัสรับรู้ไปใน้สองเทให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งทางเรื่องอะไรทั้งสิ้นห้ามคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยเฉยถ้ารู้เฉยเฉยได้ต่อไปความคิดก็จะหยุดคิด แล้วใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิเกิดความสุขขึ้นมาอย่างยิ่งคุณชายพีครับขออนุญาตสอบถามว่าการเดินปัญญาการเห็นใจที่ไหลแล้วผู้รู้ระลึกยังยังไม่ไม่หมไม่ทราบว่าจะตอบยังไงนี่เราส่งคำถามเข้ามาในการนะคุณพี การฆ่าสัตว์ยิ่งมนุษย์ด้วยกันยิ่งบาปผมเก่งการต่อสู้ก็ไม่เคยทำร้ายใครนอกจากสุดสุดจริงๆผมถึงแค่คิดนะแต่ไม่จำเป็นไม่คิดจะทำเลยความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อก็ได้อะไรเก่าจำขึ้นมาใหม่ออกนึกลองให้ฟังครับ <c oughs> คุณวันเพ็ญครับ ตอบเรียนถามว่าการหายใจให้เป็นบุญกุศลคือดูลมหายใจกับบริกรรมพุทโธควบคู่กับการทําทานรักษาศีลเป็นการสร้างกรรมดีติดตัวไปทุกภพทุกชาติจิตบันทึกสบียงบุญใช่ไหมเจ้าคะใช่ทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาการภาวนาก็การดูลมหายใจเข้อกเวลานับความคิดต่างๆงลททแล้วใช้คำบริกรรมพุทโธนี่เรียกว่าเป็นการภาวนาคุณวีนา ถามว่าคนเราต้องเกิดอีกอกี่ครั้งคะจึงจะไม่ต้องมาเกิดอีกขึ้นอยู่กับอะไรคะขอความเมตตาครับจนกว่าเราจะหยุดความอยากทั้งสามได้หมดถึาการมตัญหาภาวะตัญหาและวิภญาณตัญหาหรือละทังโยติบทั้งโยติบก็สรุปอยู่ในการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิญญาณตัญหานี่หละหนึ่งกัรตัวเดียวกันก็ล้องปฏิบัติธรรมขั้น ขั้นขั้นศีลสมาธิปัญญาท่านก็ต้องปฏิบัติแบบนักบวชต้องปฏิบัติแบบมืออาชีพนักบวชนี่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพผู้คลองเรือนคารวะนี่เป็นเหมือนมือสมัครเล่นเพราะว่าต้องมีงานการต้องทําอย่างอื่นต้องทําแต่นักบวชนี่ไม่มีงานอย่างอื่นต้องทํานอกจากงานภาวนาเพียงอย่างเดียวท่านก็เลยเป็นเหมือนกับนักภาวนามืออาชีพท่านสามารถภาวนาได้ตรา ตื่นขึ้นมาจนหลับเจริญสติได้ตลอดเวลานั่งสมาธิสลับกับการเดินโยกงไปได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาตามลำดับท่านก็สามารถที่จะมบรรลุถึงขัง้นพันิผานได้ในภพในชาตินี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกครั้งอีกต่อไปคุณเป๊ปครับหากทำผิดสี่ห้าในแต่ละข้อ มีหนทางยังไงในการหนีกรรมในแต่ละข้อครับไม่ว่าจะข้อไหนถ้าจะหนีกรรมก็คือต้องไม่ไม่มาเกิดเท่านั้นถ้าไม่มาเกิดถ้ายังมาเกิดอยู่ก็ต้องรับกรรมต่อไปคุณจัน ญ, ญาครับรู้ตัวว่าจะอยู่ได้ไม่นานเราควรทําใจยังไงดีครับก็ยอมรับมันไปอย่าไปต่อต้านพยายามทําใจให้นิ่งเฉยให้เป็นอยู่เบากา เราใจเราจะไม่ท่กกับความตายคุณชายพีครับขออนุญาตสอบถามว่าการเดินปัญญาในรูปแบบนั่งสมาธินั้นการเห็นใจที่ไหลแล้วผู้รู้สติรู้ทันใจที่ไหลนั้นก็ดับไม่จำเป็นต้องสงบถึงขั้นฌาน2อาใช่ไหมครับคือการเจริญปัญญานี้เพื่อเอามาใช้ในการตัดความอยากตักกิเลสตัณหา ไม่ใช่ให้รู้เฉยๆแล้วก็ถ้ากิเลสยไม่ตายมันมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรการเดินปัญญานี้เพื่อให้สร้างความรู้ที่เราจะสามารถนํามาใช้ในการระงับความโลภโกรธลงต่างๆได้นาการจะจะทําให้ระงับความโลภความโกรธลงได้ใจก็ต้องมีพลังด้วยถึงแม้จะมีรู้ว่าโลภโกรธลงนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีกําลังที่จะหยุดมัน เราก็จะหยุดมันไม่ได้เราก็ต้องถึงเท่าฌานสี่ก่อนเมื่อเราสามารถเข้าถึงฌานสี่ได้แล้วใจเราจะมีกําลังที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้เมื่อปัญญาพิจารณาเราเห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี่เองถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องระงับมันหยุดมันถ้าจะหยุดมันได้ก็ต้องมีฌานสี่เป็นพื้นฐานของจิตคุณสุกตาครับ วันนี้หนูไปนั่งรอตรวจอัลฟาซาวที่โรงพยาบาลเอกชนระหว่างรอหนูก็พุดโธพุดโธไปด้วยจนรอไปหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้ตรวจเจ้าหน้าที่แจ้งว่าคุณหมอติดเคสเจ้าหน้าที่ให้ไปนอนรอในห้องตรวจหนูก็นอนไปสักพักก็ยังไม่ได้ตรวจเลยตัดสินใจไม่รอแล้วค่ะแต่ก็บอกเจ้าหน้าที่ดีๆณนะตอนนั้นก็คิดว่าเราไม่มีความอดทนรอหรือเปล่าแต่ก็รอมานหนึ่งชั่วโมงแล้ว และอยากถามบ้า อ, อาจารย์ค่ะว่าความอดทนนี้มันต้องทนขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นความเป็นคนมีความอดทนครับก็ทนไอจนกว่าถึงเวลาที่เขาจะมาตรวจเราวถ้าเราไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปทำอะไรอย่างอื่นเ ร, เรามเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําอยู่ดีเมื่อเขาให้รอก็รอไปคุณเพนครับ ถ้าเกิดมาชาตินี้ต้องดูแลหลายคนต่อเนื่องเป็นกรรมแบบไหนครับไม่ทราบเหมือนกันนะก็กเป็นเป็นอาจจะคนอื่นเขาเคยดูแลแลามามากชาตินี้เราก็เราต้องมาดูแ ล, แลเขาแทนคุณประชาครับเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีคนมาจ้างให้ทําแอปโหลดข้อมูลของเหยือ่อแต่โปรแกรมเมอร์ไม่มีเจตนาไม่โกงใครไม่เคยโกงใครจะเป็นบาปไหมครับ ถ้าเราได้รับผลประโยชน์จากการกระทําอันนี้เราก็ไม่ส่วนส่วนนี้ร่วมกันในการกระทําบาปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําเองแต่เราก็ได้รับผลประโยชน์เราก็เป็นคนสนับสนุนให้เขาได้ไปทําทําบาปด้วยการกระทําของเรามันก็เป็นการกระทําที่ไม่ควรถ้าไม่บาปมันก็เป็นงารกระทําที่ไม่ควรอาจจะเป็นถือว่าไม่ใช่เป็นสัมาชีพ เช่นคนขายอาวุธนี่คนขายยาบยาเบื่อนี่ตัวเองไม่ได้เป็นคนไปทำร้ายชีวิตของผู้อแต่คนที่ซื้ายาเบื่อซื้ออาวุธนี่เอาไปทำร้ายชีวิตของผู้คนขายไม่บาปนะแต่คนขายก็ไม่ควรจะทําทอาชีพแบบนี้เพราะเป็นการส่งเสริมการกระทําบาปคุณชนะการครับแล้วถ้าไม่อยากสร้างกรรมอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งกับไทยก็ไม่สร้างกรรมไหมเจ้าคะ อยู่ได้ก็ดีสลยก็ไปบวชได้ถ้าอยู่คนเดียวได้ก็ไปบวชได้ไปบวชไปเ ป, ไป็นฤาษีชีพายอยู่คนเดียวไม่สร้างกรรมแต่ถ้ายังี้แต่ถ้ายังไม่ยังกลับัาเกิดอยู่ไมไม่สร้างกรรมแต่กรรมเก่ามันก็ยังมีอยู่ต้องอยู่แบบไม่สร้างกรรมก็ยุติความอยากให้หมดไปคือมโนกรรมให้ได้แล้วถ้าเราหยุดความโลภโกรธลงได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด วลาเไม่เกิดประกิดอีกเราก็จะไม่มีกรรมที่จะต้องรับอีกต่อไปคุณจุมพลครับการที่ได้ปฏิบัติบูบชาและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรจะช่วยให้วิบากกรรมในอดีตเบาบางได้ไหมครับไม่ได้หรอกเรื่องของของกรรมที่ทํามาแล้วเราไปลบล้างมันไม่ได้เรื่องของของบุญที่เราทําใหม่นี่มันก็เป็นเรื่องของบุญไปคนละบัญชีกันแต่เวลา มามามอิทธิมีมีอิทธิพลต่อกันได้คือเวลาที่เราร่างกายเราตายไปเนี่ยกรรมดีที่เราทำไว้กับกรรมชั่วที่เราทำไว้มันจะมาเป็นผู้มาดึงดวงวิญญาณของเราไปในทางใดทางหนึ่งถ้ากรรมกรรมกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีมันก็จะดึงเราไปเกิดในอบายถ้ากรรมดีมากกว่ากรรมชั่วมันก็จะดึงเราไปเกิดในสวรรค์งั้นถ้าเราพยายามทำกรรมดีให้มากๆจน จนถึงเวลาที่เราตายไปกรรมดีมันมีกำลังมากกว่ากรรมชั่วกรรมชั่วก็ยังแสดงผลไม่ได้กรรมดีจะแสดงผลก่อนจนดึงใจเราไปรับผลดีก่อนแต่เวลาใดที่กรรมชั่วมันมันมีกำลังมากกว่ากรรมดีช่วงที่เราตายไปกรรมชั่วมันก็จะส่งผลดึงใจให้เราไปเกิดในาวายต่อไปคุณแพทครับการจเจริญสติโดยบริกรรมพุทโธขนท่องในใจ ใส่ไหมคะพอท่อออกมาดังๆหรือขยับปากและท่องเบาๆจะเป็นการใช้ร่างกายในการปฏิบัติหรือเปล่าคะใช่ถ้าเป็นใบได้ก็ไม่กวรจะใช้ร่างกายเลยแต่ถ้านายเบื้องต้นเรายัางบริกรรมภายในใจไม่ได้ก็จะวริกรรมทาวนวาจาไปก่อนก็ได้เหมือนส่วดมนต์ออกเสียงไปก่อนแต่ในที่สุดเราก็ควรจะส่วนบนแบบไม่ออกเสียงเพื่อเราจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกาย การภาวนาเพื่อต้องการยิงใจออกจากร่างกายให้เข้าสู่ควาสมสงบคุณนรยาครับตอนนี้มีโรคประจําตัวอยู่คะ่ะตอนที่โรค ก, กําเริบทางร่างกายเหมือนซ้อมตายเลยคะ่ะยากมากที่เราจะมีใจที่สงบในขณะที่ร่างกายเกิดทุกข์ครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามฝึกไว้มากๆก่อนฝึกทําใจสงบมากๆแล้วก็สอนใจให ให้รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้มันจะต้องเจ็บไายได้ป่วยนี่จะตายไปเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วก็เตรียมเตรียมสมาธิไว้รับกับมันเวลาเกิดเหตุการ์ขึ้นมาแล้วเราก็จะรับกับมันได้คุณมาริสาครับหลวงปู่ดูลัณฑ์กล่าวไว้ว่าพระยิ่งจนยิ่งมีความสุขแต่คนทั่วไปบอกว่าความจนมันน่ากลัวขอความเมตความเห็นจากพระอาจารย์ครับ ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องหาความสุขโดยวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินไงวิธีที่จะไม่ต้องใช้เงินก็คือวิธีภาวนาอยงั้นยิ่งจนมันก็จ้องบังคับให้เราตภาวนามากขึ้นถ้าพอมีเงินมันเงินเกยก็ยันหนึ่งให้เราไปเอาไปหาความสุขด้วยการใช้เงินไปซื้อไปเที่ยวไปกินไปเดินอะไรต่างๆเพราะเรามีเงินมันก็ได้ความสุขปลอมได้ความสุขเดียวเดียวความสุขแบบควันไฟ แล้วเวลาขาดมันไม่สามารถหามันได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมายังการมีเงินนี้ไม่ดีหรอกถ้าพูดถึงการหาความสุขที่แท้จริงต้องเป็นคนจนไม่มีเงินนะพวกนั่งบวชนี่เป็นคนจนนั้นแหละพระพุทธเจ้าไม่ให้มีเงินทุกคนคนที่มาบวชนี่ไม่ให้กันมีเงินจะได้ไม่ต้องเอาเงินไปใช้ซื้อบุหรี่ซื้อขนมซื้ออะไรมากินถ้าอยากจะหาความสุขก็ให้ไปภาวนากัน ถ้าภาวนาเป็นก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขข้างปวงและก็จะเป็นความสุขที่ถาวร ย, ยั่งยืนคุณโน้ตครับทุกดับเพราะเหตุหรือเปล่าครับหรือว่าทุกนั้นดับเองกับความไม่ตาครับมันเกิดมันมีเหตุทําให้มันเกิดพอเหตุนั้นหยุดไปมันมันก็ดับไปเช่นความโลภทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากจะได้ อยาจะได้ตำแหน่งมันก็ทําให้เราทุกข์คุ้หวายใจพอเราเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าไม่อยากได้ไม่เอาละเปลี่ยนใจความทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้ตำแหน่งนั้นมันก็จะหายไปคุณวิไลพรครับสามีเป็นคนเล่นการพนันผิดศีลเกือบทุกข้อคะ่ะแต่มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับบทสวดมนต์เกือบทุกบทไม่รู้เป็นกรรมอะไรขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับไม่รู้ฉัน <laughs> ก็มีบุญจะกรรมบังเลครับคุณมารีรัตบอกว่าโยมเห็นเขาพูดกันว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่พระอาจารย์เห็นว่าเป็นอย่างไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อนี้อาจจะเป็นของจริงก็ได้ของแท้ก็ได้เนี่ยเราไม่ควรไปลบหลู่ในสิ่งที่เราไม่รู้จริงว่าเป็นของแท้หรือของของปลอม mm hmm. ก็ให้ให้ไม่เชื่อไปเฉยๆก็แล้วกันเราไม่เชื่อแต่เราก็อย่าไปลบหลู่ครับ คุณมาริกาครับถ้าชาตินี้ยังใช้กรรมไม่หมดแสดงว่ายังต้องวนเวียนกับการเวียนว่ายตายเกิดอีกใช่ไหมคะแล้วมีหนทางที่จะให้เรามีนิสัยทางธรรมติดตัวไปได้ไหมครับคือเรื่องการใช้กรรมมันไม่ได้เป็นตัวที่จะยุติหรือไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดจากการสร้างกรรมใหม่อยู่เรื่อยๆคือสร้างความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยๆอันนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกัน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ว่าเราใช้กรรมเก่าหมดแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกไม่ใช่ใช้กรรมเก่าหมดแล้วถ้ายังมีความโลภโกรลงอยู่ในใจมันก็ยังไปเกิดใหม่ต่อไปอยู่วิธีที่จะทําให้เรามี็นิสัยทานธรรมก็คือพยายามฝึกฝนตั้งแต่บัด น, นี้ไฝึกฝนทําบุญทําทานฝึกฝนรักษาศีลฝึกฝนภาวนาไปทําให้ติดเป็นนิสัยไปต่อไปมันก็จะไปกับเรา คุณณครับถ้าเรามีกรรมในเจ้ากรรมในเวรตามอยู่แล้ววันหนึ่งเขาโหสิกรรมให้เราแล้วแบบนี้จะถือว่าหมดกรรมต่อกันได้ไหมครับก็หมดเฉพาะคนนั้นไงแล้วก็บอกว่าใช่อภัยเราละเขาไม่มาจองเวรจองกรรมมันก็หมดไปเหมือนเจ้านี่เราเขายกยกนี่ให้เราไปเราข้างนี่เขาไว้แล้วก็เบื่อที่จะมาตามไล่เก็บเงินจากเราเขาก็บอ่ะยกนี่ให้คุณไปมันก็หมดกันไป เฉพาะคนนั้นเรื่องนั้นแต่เราอาจจะมีหลายเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่มีคนเดียวมีจากสิงคโปร์ฟังด้วยนะครับอาจารย์ครับ Thanks teacher for your teaching to benefit o u senior beings from Singapore You're welcome คุณลินระดาครับคุณแม่อาจารย์คตั้งคุณแม่ตั้งแต่เกิดมา ตั้งแต่เกิดแม่เป็นแม่บ้านที่ดีที่สุดคุณแม่มีแต่ความดีกะตันอยู่กับพ่อแม่มีเมตามีหีริโอต ป, ปะแต่พอคุณแม่อายุมากท่านป่วยเป็นมะเรง็งท่านไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่แต่คุณแม่ชอบไปวัดทำบุญไหว้พระทั้งของพุทธศาสนาพระจีนโดยใช้ทูบหมอเลยสันนิษฐานว่าเกิดจากควันทูบลูกว่าทำไมคุณแม่ท่านมีกรรมแบบนี้คะ ร้องไห้ทุกครั้งเลยสงสารคุณแม่ท่านมากๆค่ะแบบนี้เป็นกรรมจากอดีตชาติหรือเปล่าลูกว่าไม่ยุติธรรมเลยค่ะเรื่องทูมนี้จะเป็นจริงหรือไม่นียังน่าสงสายอยู่เพราะว่าถ้าเป็นคนที่ไปว่าทุกคนก็ต้องเป็นกันหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ปริมาณของความทูบที่เราสวยเข้าไปด้วยแล้วบ่อยก็ไม่บ่อยนานแล้วไม่นานอันนี้ไม่ไม่สามารถที่จะอามาคิดว่าเป็นเหตุแต่ก็แล้วแต่เมื่อมันเป็นก็มันก็เป็นมันก็ถือว่าเป็น เป็นกรรมของท่านะที่จะต้องเป็นอาจจะเป็นกรรมพันธุ์อาจจะเป็นสารอย่างอื่นที่เข้าไปในร่างกายก็ได้มันมีต้องเยอะแยะสารที่เราสูดเข้าไปทางอากาศเนี่ยหรือของที่เราดื่มเข้าไปทางน้าําหรืออาหารที่เรากินเข้าไปนี่มันมีสารอะไรปะปนอยู่มันมีเยอะแยะเป็นต้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสารตัวไหนกันแต่ต้องคิดคิดแบบง่ายๆว่าการมาเกิดนี่มันก็จะต้องเจอความเจ็บไายได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึง่งเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ ถ้าไม่อยากจะเจอก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเองคุณมาลีครับทําไมเราถึงต้องมาเกิดครับเพราะเรามีเหตุที่พาเรามาเกิดเนี่ยเหตุก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยยังอยากดูอยากฟังอยากเล่นมวดดมกลินอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะดื่มหนังฟัาอะไรอยากจะมีแฟนความอยากเานี่ยมันเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อย คุณแต้มสีครับบางครั้งดิฉันคิดว่าคนในยุค ป, ปัจจุบันไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่คิดถึงเรื่องกรรมเก่าเท่าไหรค่ค่ะไม่รู้เพราะมันมองไม่เห็นหรือเปล่าและไม่เชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรด้วยเห็นพระอาจารย์ได้พบเจอคนจำนวนมากอยากรู้ว่าคนที่มาวัดยังพอจะเชื่อเรื่องนี้ไหมครับถ้าเขาไม่เชื่อเขาคงไม่มาวัดกันหรอกคนที่มาวัดในร้เอเชื่อนางโกดังกรรมนั่นนะเาึงมากกัน แต่คนที่ไม่เข้าวัดเนี่ยร้อยร้อยเปอร์เซ็นแสดงว่าเขาไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่จะมาวัดทําไมเพราะว่าจะสอนแต่เรื่องกฎแห่งกรรมอย่างเดียวคุณวีนาครับพ่อแม่ที่ไม่ได้ตั้งใจให้ลูกเกิดมาแปลว่าเด็กคนนั้นเกิดมารับกรรมที่ตนเคยทํามาในอดีตชาติใช่ไหมคะทุกคน เ, นเนลวลามาเกิดก็นั่งมารับกรรมที่เคยทํามาในอดีตเท่านั้นแต่ว่า ไม่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่เพราะแม้ว่าตั้งใจจะให้เกิดว่าไม่เกิดก็ตามถ้าได้มาเกิดแล้วมันก็ต้องมารับผลกับที่เคยทําไว้ใน่ดีตทุกคนคุณประชาครับเจอคําสอนอ่านได้ความว่าความทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เท่ากับการบริหารขันสงสัยว่าการบริหารขันหมายความว่าอะไรครับทำามถึงร่างกายล่ะนารูปประกาน รูปปัจจันทนี้ผูเจ้าทรงตัดว่าเป็นภาระฮาวเวย์เป็นภาระที่หนักยิ่งเพราะเราต้องคอยเลี้ยงดูมันต้องหายใจอยู่ทุกเวลาเพอาขี้เกียจหายใจเมื่ อ, อไหร่ก็ตายต้องดื่น้าอยู่เรื่อยๆต้องหาอาหารมามาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วก็หาที่ปลอดภัยให้มันอยู่แล้วเวลามันจะบไข้ได้ป่วยก็ต้องพาไปโรงพยาบาลพาไปรักษามีแต่ภาระการมีร่างกาย พละก็คือความทุกข์คุณสุกันยาครับการที่ได้พบคุณหมอและเชิญ ช, ชวนให้ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์เกิดจากกรรมดีเมื่อชาติปางก่อนเคยได้พบคุณหมอและฟังธรรมจากพระอาจารย์ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่อาจจะเกิดจากการที่เรามีความสนใจในธรรมพอเราได้มาได้ยินได้ฟังธรรมที่เราสนใจแล้วถูกใจเราเราก็เลยติดตามต่ออันนี้เป็นเหตุมากกว่า ถ้าเราไม่สนใจทำอะไรไม่มีความสนใจพอมันเจอแ a น n น l นี้ก็รีบปิดทันทีเลยคุณอ้ายครับจะวางใจอย่างไรครับเมื่อเจอทุกขเวทนาครับวางเฉยไงเฉยเฉยไปปล่อยให้มันเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนอยา่าประยากให้มันหายหัดอยู่กับมันไปหัดชอบมันถ้าชอบมันแล้วเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ชอบเราอยากจะให้มันหายเพราะเราเกิดความอยากให้มันหายแล้วก็เกิดความความความทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคุณชายพีครับการภาวนาใจได้เห็นถึงความไม่เที่ยงของใจความคิดและความสุขที่สุดจากสมาธิก็ไม่เที่ยงแบบนี้คือภาวนามาทุกทางไหมครับ ก็เป็นเป็นเป็นการเห็นแต่ยังไม่ยังยังไม่พอเพียงมันต้องเห็นอะไรอย่างอย่างเยอะๆต้องเห็นเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงของราบยุบสลาเสริญของรูปสีกลิ่นรสมันต้องเห็นอีกเยอะๆไม่ใช่เห็นแต่แค่ความคิดและความสุขจากสมาธิเท่านั้นคุณ s p ครับขอการเรียนถามครับ การจเจริญสติบ่อยๆคือการระลึกพุโทโธให้ต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งวันใช่ไหมครับใช่คุณอุงุ่นเปรี้ยวครับเคยนินทาพระสงฆ์วัดที่บ้านที่มีพฤติกรรมไม่ดีมีรุ่นพี่ห้ามไว้บอกว่าไม่ควรนินทาว่าร้ายประสงค์จะได้รับบาปหนะักแม้จะเป็นความจริงท่านก็คงได้รับผลกรรมเองใช่ไหมเจ้าคะใช่ใครทํากรรมมันได้ว่าเขาก็ต้องรับผลของกรรมนั้น ที่เราไปนินทามันก็เป็นการใช้วาจาที่ไม่ถูกไม่ควรถ้าอยากจะนินทาท่านสอนให้เรานินทาตัวเราเองจะดีกว่า <Okay. S 1> นินทาตัวเราเองเราจะได้แก้ปัญหาแก้ความไม่ดีของเราไปนินทาคนอื่นนี่มันเป็นปันิเกล็ด ม, มันกำลัยงยกตนข่มท่านเราดีกับเขาเราถึงว่าเขาได้ว่าตัวเราดีกว่าเมื่อว่าเราว่าตัวเราเองแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตัว เ, เองให้ดีขึ้น ให้นินทาตนนิบาศเป็นนินทาคนอื่นคุณบุญรัตครับการทำบุญให้คนตายทำได้แบบไหนคะจะช่วยให้ผู้ตายได้รับผลบุญได้สู่สุคติที่ดีคะแล้วหลังจากสิ้นลมหายใจแล้วเขาจะได้เกิดใหม่เลยหรือเป็นวิญญาณน่องลอยครับก็ทาบุญก็คือการทาบุญให้ทานเนี่ยใส่บาตถวายสังฆทานอะไรเงี้ยก็เป็นการที่สามารถส่ง ส่งบุญไปให้กับผู้ที่มอ่งรับไปสูส่สกติจะได้หรือไม่นี่มันไม่รู้นะว่จะถึงสุงเกติได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขามารับผลมือนก็เหมือนกับการที่เราให้อาหารขอทานไปวันๆหนึ่งนั้นเองคือให้ใจเขาคลายความทุกข์ยากลําบากลงแต่จะทำให้เขาไปสวรรค์ได้หรือไม่นี่คิดว่าคงจะแล้วแต่ว่าวิบากของเขามีมากมีน้อยเท่าไหร่ถ้ามีน้อยแล้วบุญที่เราทําให้เขานี่สามารถ ที่จะเนื่องใจให้เข้าไปสู่สวรรค์ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็มีแต่อันนี้ไม่รู้นะแต่ละคนมีบุญมีบาปมากร้อยต่างกันไปแล้วเขาก็จะเป็นวิญญาณกันไปเรื่อยๆจนกว่าถึงช่วงที่บาปที่ทําให้เขาเป็นเป็นเป็นวิญญาณที่หิวโหยนคือเป็นเปรไดนี่มันหมดไปแล้วบุญกับบาปในใจเขามีกําลังเท่าๆกันตอนนั้นเขาก็จะไม่ไปเป็น ไม่ไปอาบายเขาก็จะไม่ไปสวรรค์ช่วงนั้น ก, ก็จะมาเข้าคิวรอรับร่างกายต่อไปคุณอุสรีครับทำไมหนูถึงเจอพี่สาวแท้ๆชอบคิดร้ายอิจฉาด่าทอหนูมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้แบบนี้คือกรรมที่หนูเคยทำกับเขามาใช่ไหมครับวิธีแก้ทำยังไงครับควต้องใช้ความเมตตาพยายามทำตัวเราให้เขา ชอบเราด้วยการทำความดีกับเขาช่วยเหลือเขากราบไหว้เขาให้ความสุขกับเขามีอะไรก็แบ่งบันให้เขากินม่เวลาเขาทำให้เราโกรธเราก็อย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาให้อาภัยเขาก็คือให้เราให้ความเมตตากับเขาทำความดีเขาบ่ายบอยๆต่อไปความดีนี้ก็จะชนะความคิดร้ายของเขาเองคุณพลอยครับ พระอาจารย์คะหนูอยากถามว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยอุทิศไปให้ญาติอยู่ต่างประเทศเขาจะได้รับบุญหรือเปล่าคะอ๋อเราอุทิศให้คนคนเป็นไม่ได้บุญนี้เราอุทิศให้คนตายคมันเป็นถ้าเราอยากจะให้เขาบุญบอกบุญแล้วก็บอกบุญเขาว่ า, าเดี๋ยวปัญชานี้เอาปัญชานี้ไปทอากับถิ่นที่นั่นที่นี้ถ้าก็อยากจะร่วมบุญด้วยเขาก็จะได้ทําบุญคุณปุ้ยครับ คิดว่าเกิดมาสร้างบารมีพัรษานี้เล่งความเพียรตามที่ตั้งใจไวออกพรรษาจะมารายงานเขาโอกาสถามเรื่องจิตรวมครับการที่จิตรวมได้ครั้งหนึ่งจะรวมได้ต่อต่อไปไหมคะคิดว่าเคยใกล้แต่ยังไม่รวมคะ่ะก็ถ้าทำบ่อยๆพอมันรวมแล้วมันโอกาสที่จะรวมต่อไปก็มีมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไปจะรวมทันทีบางทีก็อยู่ที่ว่ากาลังสติของเรา ในข่าวต่อไปมันจะพร้อมหรือไม่ยังมีพรอมหรือไม่เราก็น้องพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆตัองไปเรื่อยๆทาไปบ่อยๆถ้ารวมได้ครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมันก็จะลวมได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิใหม่ๆก็ยังอาจจะล้มลุกคลุกขันไปก่อนแต่ทาบ่อยๆทาไปจนชานาญแล้วต่อไปก็จะลวมได้ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิคุณสีกากีครับ ถ้าเราเคยนั่งแล้วพบกับความสงบรู้สึกมีความสุขทําให้อยากสงบแบบนั้นอีกแล้วมันไม่ได้จะวางใจอย่างไรดีเจ้าค้าที่จะไม่โลภอยากได้ความสงบครับก็อย่าไปโลภถต่ให้เราทําให้เราจเจริญสติว่เาเหตุที่ทําให้ใจเรามีความสงบก็คือการเรามีสติควบคุมความคิดได้เวลานั่นเราก็อย่าไปอยากให้มันสงบโดยที่เราไม่มีสติควบคุมใจต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดปุกแตก แน่ใจเราก็จะสงบได้คุณมุ ก, กี้ครับลูกกราบขอหลวงพ่อสั่งสอนอาวิชาในทางพุทธเราคืออะไรเจ้าคะลูกไม่เข้าใจเจ้าขาขอหลวงพ่อโปรดให้ความรู้และรายละเอียดที่ลูกสามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อ น, น้อมนำไปปฏิบัติเจ้าคะอวิชาก็คือการไม่รู้ธรรมะไม่รู้ผิดถูกดีชัว่วไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้นรกสวรรค์ไม่รู้เรื่องการเวียนว่าตายเกิดเรียกว่ า, าวิชา เราก็ต้องมาศึกษาธรรมะกันเพื่อเราจะได้ดับอวิชชาความไม่รู้ในใจของเราเหมือนเด็กที่ไม่มีการไม่มีความรู้เกี่ยวกับอวิชชาทางโลกต้องส่งเขาไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนเรียนอนุบาลเรียนมัธยมเรียนมัธ ย, ยมศึกษาเขาก็จะได้ความรู้ได้เป็นบัณฑิตขึ้นมาถ้าไม่ส่งเขาไปเรียนหนังสือเขาก็จะเขาก็จะเป็นคนโง่ไปเรื่อย อวิชชาก็คือความโง้อเนี่ยง้อเขาเมารปัญญาเรียกว่าอวิชชาคุณม็อกค่าครับลูกชายกลัวผีมีวิธีการอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจเรื่องนี้เบื้องต้นดีครับหรือแนะนําให้ปฏิบัติวิธีการแบบไหนให้เขาดีครับก็บอกว่าผีจริงไม่หลอกพี่หลักพี่หลักไม่จริงแล้วกันผีที่มาหลับเราเนี่ยไม่ใช่เป็นผีมันเปนความคิดของเราคิดขึ้นม่เอง ผีจริงก็คือเป็นดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเขาไม่มีเวลามาหลอกลเราเ้าก็ไปรับผลบุญผลบาปของเขาต่อไปงั้นผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงคคุณแต้มสีครับนั่งสมาธิแล้วจิตรวมคําว่าจิตรวมหมายถึงอะไรหมายถึงเข้าชานได้ใช่ไหมคะใช่จิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ความฟินปุงแต่กห้ยไปหยุดไป คุณอังคณาพรครับเวลาจิตรวมแล้วนิ่งสงบไปเรื่อยๆเราควรพิจารณาร่างกายส่วนไหนครับอไม่ไม่ควรพิจารณาตอนที่จิตสงบถ้าอยากจะพิจารณาร่างกายให้หรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาคุณน้องครับจําเป็นหรือไม่ที่ต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิครับถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องไม่ต้องสวด ถ้าเรายางังนั่งไม่ได้นั่งรังจเราฟุ้งซ่านก็นส่วนบนไปก่อนส่วนวนเพื่อระงับความฟุ้งซ่านให้จิตมีสติเพิ่มมากขึ้นก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิต่อไปคุณต้าครับกราบพระอาจารย์ครัการที่แม่พูดกับคนอื่นว่าเกลียดเราทั้งที่พึ่งพายให้เราทํางานบ้านดูแลเรื่องอาหารทํากิจทุระให้และเขาจะตําหนิในเกือบทุกเรื่องที่เราทํา แบบนี้เกิจดจากกรรมแบบไหนคะและเราควรวางใจอย่างไรไม่ให้รู้สึกแย่คะเราต้องฟังหูไหวหู ค, คนที่เข้ามาเล่าให้ฟังอาจจะไม่ได้พูดความจริงก็ได้อาจะพูดยุยงให้เราเกิดความแตกแยกกันก็ได้อยากให้ลูกเกลียดแม่ให้แม่เกลียดลูกกันก็ได้ดั้นเอย่าเป็นคนหูเบาไปถามแม่ก่อนว่าแม่พูดอย่างนี้หรือเปล่านจะดีกว่า แล้วถ้าเกิดว่าแม่พูดจริงก็ต้องยอมรับว่าอคนเราอยู่ในโลกนี้ก็มีทั้งคนที่รักเราและชังเราเป็นธรรมดาเราห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาให้รักเราอย่างเดียวไม่ได้คนที่เกลียดราก็มีเยอะแยะคนที่รักเราก็มีเยอะแยะให้คิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะได้สบายใจ <Okay. S 1> คุณสุภาพรครับคนที่เกิดมาไม่มีคู่ถือว่าเป็นกรรมไหมเจ้าคะมันไม่ได้เป็นเรื่องของ มันเป็นเรื่องของว่าเรามันอยู่ที่เราว่าเราอยากจะมีคู่ไม่มีคู่ถ้าาไม่อยากมีคู่มันก็ไม่มีคู่ถ้าเราอยากมีคู่มันก็หาง่ายจาตายคนมัน ม, ม่มีต้องเยอะแยะคุณอุสรีครับอดีตเคยเีรห้าไม่ครบปัจจุบันเข้าถึงทมเกรงกลัวต่อบาปกลัวนรกอดีตที่เคยผิดศรษ์จะตกนรกไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าบุญกับบาปที่เราทํำนี้อันไหนมันมีกําลังมากกว่าตอนที่เราตายไปถ้าบุญที่เราทํานี้มากกว่าบาปมันก็จะบาปที่เราทํามันก็ยังดึงเราไปนรกไม่ได้แต่ถ้าบุญที่เราทํานี้น้อนกว่า บ, บาปที่เราทํำนี้โอกาสที่จะไปนรกก็ย่อมเป็นไปได้เวลาที่เราตายไปแล้วคุณเก้าสองแปดเจ็ดครับ การนั่งสมาธิแรกเริ่มที่บ้านนั้นต้องสวดมนต์ก่อนหรือไม่หรือสามารถนั่งสมาธิได้เลยโดยไม่ต้องสวดมนต์และควรใช้คําบริกรรมคาถาว่าอย่างไรดีครับประโยชน์ที่ตอบเมื่อกี้นี้ถ้านั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดถ้า่งนังยังไม่ได้ใจ ย, ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็สวดมนต์ไปก่อนก็สวดอินทรียโสภัก็ได้คาถาอินทรเยโสภูตคุณธรรมคุณสังฆคุณ ส่วนหลายๆรอบส่วนปางอยาก็ร่างมันเสร็จว่าใจเราสบายเยน็นสามารถนั่งสมาธิได้เราก็ไปนั่งสมาธิต่อสมมุติเกิดความโกรธสังขานขันแล้วเราด่าหรือทําร้ายคนที่เราโกรธสิ่งที่เราทําตามความคิดในชีวิตแสดงว่าเราทําตามขันห้าหรือเปล่าครับก็มันก็ทําตามกิเลสขันห้าเป็นเพียงเครื่องมือขอ ง, ของกิเลส ความโกรธนี่เป็นตัวที่สั่งให้ขันห้าไปทำร้ายผู้อื่นอีกทีเนี่ยไม่ใช่ขันห้านี่มันเป็นตัวกลางมันเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนมีดเนีเราสามารถเอามีดไปทําประโยชน์ก็ได้เราไปทําร้ายผู้อื่นก็ได้อยู่ที่ว่าเรามีกิเลสและมีธรรมถ้าเรามีธรรมเราก็มีดไปทําประโยชน์ถ้าเรามีกิเลสล้วก็มีดไปทำร้ายผู้อื่นได้เวลาที่เราโกรธ คุณสิริออนครับเมื่อสองอาทิตย์ก่อนคุณแม่เสียชีวิตตั้งสติได้ระดับหนึ่งเพราะคิดว่าทุกคนต้องไปถึงจุดนี้แต่พอเขานำลงศพของแม่ไปเผาเราคิดว่าแม่จากไปแล้วจริงๆน้ําตาก็ไหลค่ะแล้วก็คิดว่าคนเรามีแค่นี้จริงๆวันรุ่งขึ้นไปเก็บกระดูกก็คิดว่ามันกลับไปสู่ธาตุดินจริงๆโชคดีที่มีธรรมะมาช่วยมากค่ะหนูพิมพ์หนังสือนักเดินทางของพระอาจารย์แจกด้วยค่ะส่วนตัวอ่านแล้วดีเลยอยากคนอื่นได้อ่านด้วยส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่วัดยาณด้วยค่ะ กอนมีโมทนาธรรมะนี้ช่วยรักษาใจของเราไม่ให้ไม่ให้ทุก ไ, ได้ถ้าไม่มีธรรมะนิัพานนี้ก็ยังจะทุกข์อยู่เศร้าอยู่ก็ได้คุณแต้มสีครับเคยได้ยินว่าเป็นลูกจ้างถ้าทำงานน้อยความสามารถไม่เหมาะสมแต่ได้เงินเดือนเยอะเป็นกรรมไม่ดีอย่างหนึ่งเหมือนเอาเปรียบในจ้างแล้วถ้าเงินเดือนขึ้นเยอะเพราะมีบุญเก่ามันจะเป็นกรรมไหมคะ เพราะเห็นคนเข้าทำงานในธนาคารปีเดียวการแต่งเงินเดือนขึ้นต่างกันหลายโยอก็มีครับอันนี้มันเป็นเรื่องบุญของบาวมันเป็นเรื่องของของคนที่เขาจ้างเราว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวเรามากวอยเพียงไรที่เขาให้แคที่เขาให้เรามากเพราะเขาเห็นคุณค่าของเราว่ามีผลประโยชน์กับเขามากเขาก็ให้มากท่านเองมันนี้เป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องของบุญหรือบาป ขอท่านอาจารย์อธิบายวิธีขณะวิปัสสนากรรมฐานหมวดร่างกายครับก็ให้อภิจณาหลายร่างกายนี้มีหลายมิติด้วยกันที่เราต้องเข้าใจมิติแรกก็คือร่างกายเป็นของไม่เที่ยมมันเกิดแล้วมันก็เจริญเติบโตแล้วต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเหยียบต้องตายไปอันนี้ว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยมอนัสตาก็คือมันเป็นดินน้ำลมไฟมันทํามาจากดินน้ำลมไฟธาตุสีลม ลมหายใจนี่ก็เป็นธาตุลมน้ำํำนึกของเหลวที่เราเดื่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้ําอาหารที่เป็นของแข็งเช่นผักเนื้อนี่ก็เป็นธาตุดิ น, นเราเอาธาตุเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะได้สร้างอาการาธาติสสองของร่างกายขึ้นมาแล้วก็อยู่กันไปจนวันหนึ่งธาตุมันก็แยกตัวออกจากกันธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมที่มันรวมตัวในร่างกายมันก็แยกออกไปร่างกายก็ตายหยุดทํางาน พอลมหายใจอยู่หายใจลมไม่เข้าร่างกายก็หยุดทํางานเพราะร่างกายหยุดทํางานธาตุไฟก็ตามออกไปตามด้วยธาตุน้ำนั่นที่สวยก็เหลือแต่ธาตุดินอันนี้พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมนมิตินึ่งก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งานหรอกมันสวยแต่เฉพาะภายในก็ที่ผิวหนังานั้นเอง พอเรามองเข้าไปใต้ผิวดาบแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามอาการต่างๆที่ถูกผิวหนังหุ้มห่อไว้เช่กนกระดูกเนื้อหนังกระดูกเอ็นเยื่อในกระดูกมาก้าปอดหัวใจตับท้องกลิอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นเพืที่จะดับความหลงที่เป็นหลงรักคนนั้นคนนี้ว่าเขาสวยเ้างามเขาหล่อเขาเหลาทวามจีิแล้วเขาข้างในนี้ไม่น่ามีอะไรน่าดู อันนี้เป็นการดับการมาลมการมาลาคะนี่คือการพิจารณาร่างกายซึ่งมีหลายมิติที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องแล้วเราจะได้ปล่อยวางร่างกายไนดะ้ไม่ไปทุกข์กับร่างกายเราต้องทำในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิต้องทำขณะที่เราออกจากสมาธิมาแล้ว คุณสง่าครับเจอปัญหาชีวิตเรื่องงานต้องทํำยังไงให้ใจสงบไม่คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาครับก็อย่าไปคิดถึงม <Yeah. S 2> ันใช้กรรมอะไกรรมพุทโธพุทโธพยายามฝึกใช้พุทโธพุทโธเพื่อหยุดความคิดที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเวลาไปคิดในเรื่องที่เราไม่จําเป็นต้องคิดแล้วทาให้เราไม่สบายใจเราก็ใช้พุทโธพุทโธไปแต่เราต้องฝึกไว้ก่อนต้องซ้อมไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมเวลาจะมาใช้มันใช้ไหมอ๋อ คุณนราครับคนที่ชอบจับผิดแล้วว่าคนอื่นไม่ดีใช้อำนาจให้คนอื่นทำตามใจตนเองและหลงว่าตัวเองดีวิเศษกว่าคนอื่นเขากำลังทำบาปอยู่ไหมครับเขาอาจจะทำเป็นการการะทำที่อกุศลแต่ยังไม่ถึงอาการทำบาปก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปทำอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อน คุณศรีกาคีครับถ้าคนที่อยู่ด้วยกันศีลไม่เสมอการบอกบุญไม่รับทําเรื่องร้ายๆกับเราแล้วเราพยายามไม่ถือโกรธแต่ก็วางแผนที่จะปลีกตัวหนีออกมาจะถือว่าเรายังอาฆาตพยาบาทเขาไหมครับไม่หลอกการปลีกตัวออกมาไม่ได้เป็นการอาฆาตพยาบาทไปยังไงเพียงแต่เห็นว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เจริญล้วก็ไม่นควรจะอยู่ร่วมกันเหมือนที่พระเจ้าทรงสอนให้อย่าไปอยู่กับคนพาลให้อยู่กับบัณฑิต ถ้าหาคนถ้าหาบันด็จคบค้าสมาคมไม่ได้ก็อยู่คนเดียวก็จะดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ถูกเขาหนึงไปในทางที่ต่าคุณวันเพลนครับในอดีตลูกทุกข์มากกับชีวิตคู่พอได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมช่วยให้ความทุกข์เบาลงให้อภัยชดใช้กรรมให้กับคู่ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรอยู่ด้วยหน้าที่ดูแลลูกด้วยใจที่เบาให้เป็นกุศลกรรมกราบอาจารย์เมตตาอบรมเจ้าคะ่ะ ก็ต้องใช้ความเมตตานะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คือเราต้องมีความเมตตาให้อภัยกันอย่าถือโทษกดเคืองกั น, กนอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่าเบียดเบีย น, ยนอย่าไปสร้างความเสียหายเด่อดร้อนให้กับเขาให้ความสุขกับเขาด้วยการทําความดีต่างๆแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้คุณอักษรครับ กลับเรียนถามพระอาจารย์บุตรชายเสียชีวิตเกือบปีแล้วแต่ยังทําใจยอมรับไม่ได้เราจะใช้ทําใดช่วยได้บ้างคะก็ใช้ความจริงอะความจริงเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาไปแล้วเขาไม่มีวันกลับแล้วร่างกายของเขากลายเป็นบินน้ําลงไฟไปหมดแล้วดวงวิญญาณเขาก็กาไปเกิดใหม่ต่อไ ป, อไปแล้วก็เรายอมรับความจริงกันเอง คุณประพัฒสอนครับในฐานะลูกทุกครั้งที่ทำบุญอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่เช่นไก่ที่แม่เคยฆ่าเพราะทําเป็นอาชีพปัจจุบันเลิอกอาชีพนี้นานแล้วค่ะเจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้รับไหมคะลูกสามารถชดใช้กรรมแทนพ่อแม่ได้หรือไม่อย่างไรคะไม่ได้หรอกกรรมของแต่ละคนนี่ก็ต้องต้องรับผลของมันไม่ใช่ก็แล้วแล้วเราไปไปชดใช้กรรมของคนอื่นไม่ได้ ของเราเรายัางชดใช้ไม่ได้เลยมันต้องรอให้มันเกิดขึ้นมาคุณแต้มสีครับเจ้ากรรมนายเวรเกิดจากเราไปทําเขาก่อนแล้วบางคนมันเกิดจากเขาทําเราก่อนเป็นไปได้ไหมคะเพราะหนูสังเกตว่าเจ้ากรรมนายเวรของหนูหลายๆคนจะมีนิสัยพื้นฐานแย่กว่าหนูค่อนข้างมากค่ะก็มันต้องมีมต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการกอดแค้งก่อนเกิด ข, ขึ้นมา อาจจะบทีอาจจะเกิดจากการไม่มีเจตนาก็ได้ขำลดเผลอแล้วไปชนกันนะแล้วทำให้คนฝ่ายตรงข้าวเขาเสียชีวิตญาติพี่น้องเขาอาจจะมากดแขนกอดเขือเข า, เาก็ขึ้นมาก็ได้ค่าพยาบาลเราก็ได้มันเรื่องสาเหตุมันไม่สำคัญเรามันใครก่อนใครทำก่อนแล้วใครใครทำหลำังก็ขอให้เรารู้ก็แล้วกันว่าเขาเป็นเจ้าทำนายเวรแล้วนะ สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือต้องยอมรับผลของของที่เราทามาคุณศิวากาลครับคนที่เสียชีวิตแล้วจะเหลือแค่สี่ขันใช่ไหมครับใช่นา ม, มาขันทั้งสี่ือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและจิตคือดวงวิญญาณลูกเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรามาเกิดใช่ไหมครับเพราะอยู่ด้วยกันแล้วมักทะเลาะกันตลอด และลูกทําให้รู้สึกถึงความไม่สบายใจตลอดค่ะลูกพูดไม่ดีกับเราด้วยค่ะในเวลาที่ไม่พอใจหรืออารมณ์ไม่ดีค่ะออไม่หรอกลูกมันมีสามสามชนิดไงลูกที่เลวกว่าเราเนี่ยลูกที่ดีเท่าเราแล้วลูกที่ดีกว่าเรามันมีสามชนิดนะน่าจะเราจะได้ลูกแบบไหนถ้าถ้าลูกแบบที่ดีเท่าเราหรือดีกว่าเราเนี่ก็เป็นก็เป็นกุศลอยของเราเป็นบุญของเรา ถ้าเป็นเจลูที่มันเลยกว่าเราที่มันมาสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปคุณพิชัยครับพระอนาคามีไม่กลับมาเกิดอีกแล้วยังใช้อกุศลกรรมอยู่บนชั้นพรหมอีกไหมครับยังยังยังไม่ถึงนิพพานถ้าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงแล้เพราะท่าน <c oughs> ละกามการ ม, มาตัมหาได้อย่างสิ้นเชิง <c oughs> ไม่มีความอยากที่จะเสร่รูปเสียงกิตรสผลทวาพผกับใครก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมนเดิมแต่ท่านยังมีความความสุขกับการ ม, มีความสงบจากคาบสงบของจิตในะระลับชั้นพรหมอยู่ท่านยังติดสวรรค์ชั้นพรหมอยู่ท่าก็ยังต้องต้องอยู่อยู่ชั้นพรหมไปจน ก, กว่าท่านจะพิจารณาให้เห็นว่าชั้นพรหมนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขงังนาตา เมื่อนเห็นและท่านกะละความติดยึดติดในสวรร์ชัตนพร้อมได้ท่านก็จะไปสู่นิพพานได้ต่อไป <c oughs> คุณน้ำฟ้าครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ลูกมีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่ที่อายุอายุมากและป่วยปัญหาคือไม่ว่าจะดูแลท่านดียังไงท่านก็จะไม่พอใจเราอยู่ดีทาให้มีปัญหาตรงต้องขุนใจกันไปทุกวันเลยค่ะต้องทาอย่างไรดีคะต้องมองมุมกลับสิ มองตอนนี้เราเป็นเด็กแล้วท่านเลี้ยงดูเราเราจะไม่พอใจอยังไงท่านก็เลี้ยงเรามาตลอดไม่ไ ม, ไม่ไม่ทอดทิ้งเราตอนนี้เราก็ต้องมองมุมกลับว่าตอนนี้ท่านก็กนเป็นเหมือนเด็กเป็นเหมือนลูกของเราแเราก็เลี้ยงดูท่านรักท่านเหมือนเดอรารักลูกเราถ้าเป็นลูกเรานี่เราไม่บ่นใช่ไหมเราเลี้ยงดูยังไงลูกมันจะพอใจนีไ่ไม่พอใจยังไงเราก็ยินดีที่จะเลี้ยงเอาไปแล้วต้องมองมุมกลับมองว่าตอนนี้พ่อแม่เราเป็นลูกของเรา เราเป็นพ่อแม่ของของพ่อแม่เราแล้วเราก็เลี้ยงเขาเหมือนเขาเ้ยงลไปแล้วเราก็จะมีความสุขคุณสุจินดาครับชอบหุดหงิดกับคนที่ทําไม่ถูกต้องคิดหรือว่าในใจเราเองแต่ไม่ได้กระทําออกมาทางวาจารหรือทางกายจะบาปไหมครับไม่บาปถ้าไม่ไม่เป็นการกระทําทางกายและทางวาจายังไม่เป็นบาปแต่มันก็จะทำให้เราไม่สบายใจเป็นอกุศล ทางใจเป็นบาปทางใจคุณลีโอครับเวลาดูลมหายใจใจจะตามลมหายใจไปด้วยไม่สามารถหยุดรู้เฉพาะปลายจมูก ค, ค่ะใจนึกตามลมนี้ได้ไหมครับไม่ควรตามลมควรจะให้อยู่ที่จุดเดียวจุดที่มันเข้าออกก็แสดงว่าใจเรายังอาจจะวิสติไม่พอที่จะหยุดมัน กอาจต้องใช้คำบริกรรมมาช่วยก็ได้ใช้พุโทโธพุโทโธคุณชดครับผมมีความสงสัยว่าผมเริ่มจำความทรงจำในวัยเด็กๆได้มันก็ค่อยมาทีละเรื่องทีละช่วงอายุจากห5ห้าสี่สขวบก็ค่อยถอยหลังย้อนลงไปเป็นเพราะผลพวกจากการนั่งสมาธิอย่างตั้งใจหรือเปล่าครับเพราะที่ผ่านมาผมจำเรื่องนั้นไม่ได้เลยซึ่งมานั่งนึกๆเราไม่น่าจะจาเรื่อง ย้อนกลับไปได้ในตอนเด็กขนาดนั้นครับสมาธิก็มีส่วนเยิ่งถ้าเราได้อุปจารสมาธิีมันก็จะทำให้เราสามารถระลึกอดีตชาติได้คุณเคโรครับเราจะทราบได้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันไหนเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทำมาครับยากนะเรื่องของกรรมนี่เป็นอันจิตตายสาหรับบุตรชนอย่างพวกเรา คือมันเหนืยเหนือความสามารถของเราที่จะไปวิเคราะห์มันได้เั้นเราก็เรียนแตสภาพแบบแบบภาพรวมได้ทั้นว่ากรรมเก่ากรรมดีกรรมเชื่อมันเกิดขึ้นกับเราท่านนั้นเองแต่จะไปว่ากรรมชนิดไห น, นเวลาไหนเกิดขึ้นที่ไรนนี่นยากสําหรับเราที่เราจะไปวิเคราะห์ได้คุณคามิโอครับลูกอยากขอคําปรึกษาพระอาจารย์เจ้าขา่าลูกต้องทําน้าําปานะถวายพระถเถระและครูบาเจ้าค่ะ ในขณะที่ทําต้องมีการชิมลูกหล็กเลี้ยงไม่ได้เจ้าขาและบางครั้งก็แบ่งน้ําปานั้นนั้นกลับมาบ้านในหม้อที่ทําแต่แยกเทใส่ขวดและได้นํากลับมาจากผู้ที่ร่วมทําบาปไหมครับก็ต้องขออนุญาตผู้ร่วมทําหมาอว่าขอแบ่งมากินเพราะถ้ามันไม่ใช่เป็นของของเราแล้วเราเอามาโดยพละการก็ถือว่าเป็นการลักขโมยถ้าเราอยากจะเอามากินเราก็ต้อง ขออนุญาตจากผู้ที่เขาเป็นเจ้าของก่อนไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเราเป็นเจ้าของเองก็ไม่บาปเราก็ไม่ต้องขออนุญาตใครแต่ถ้าเป็นของคนอื่นก็ร่วมบุญด้วยแล้วก็ต้องขออนุญาตจากคนที่เขาร่วมบุญว่าขอแบ่งมามนเดือดที่บ้านหน่อยนะอะไรถ้าเขาอนุญาตก็ไม่บาปคุณเอกชัยครับในช่วงขา้าวพรรษาผมตั้งใจปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานรักษาศีล้าให้บริสุทธิ์ ฝึกนั่งสมาธิและเจริญภาวนาแต่ผมยังซื้อหวยรัฐบาลและเล่นการพนันแบบนี้ถือว่าผมผิดศีลห้าไหมครับไม่ผิดศีลห้าหรอกมันเป็นอบายมุกการเล่นการพนันไม่ควรเล่นเพราะมันจะทำให้เราชิบหายทาให้เราะจะทำให้เราสิ้นเนื้อประดาตัวได้ คุณเปตองครับทําผิดศีลข้อสามแบบไหนถึงจะเข้าข่ายผิดศีลเต็มๆแล้วการที่เราแอบชอบคนคนหนึ่งแล้วอยากคบเป็นแฟนจะเป็นอะไรไหมครับคือการร่วมเพศนี้ถ้าเราจะร่วมเพศล้วต้องร่วมเพศกับคนนี้ก็เป็นคู่ครองของเราเป็นสามีภรรยาของเรานอกนั้นก็ถือว่าเป็นการผิดศีลหนนผิดศีลข้อสามเช่นไปเที่ยวซ่องโสเภณีอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําผิดศีลข้อนี้ การมีอาชีพโสเภนีก็แบบเดียวกันก็ผิดศีลข้อนี้เหมือนกันคำถามสุดท้ายครับอาจานครับคุณพัชรินบอกคนในครอบครัวให้เลิกดื่มเหล้าเพราะเป็นห่วงสุขภาพแต่เขาไม่ทําตามเป็นเพราะกรรมหรือเปล่าคะเป็นเพราะเขาติดมากกว่าเขาติดโซลาเร า, เาปล่อยเข้าไปมันชีวิตช่วงเขาเร า, นะเราไม่มีนเราไม่มีหน้าที่ที่จะไป ไปสั่งไปห้ามก็ได้นอกจากถ้าเขาขออนุญาตสัง่งเราไว้ก่อนว่าพยายามห้ามผมหน่อยนะเวลาผมจะเดินเช้าราเราก็ห้ามก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ขอร้องเราก็ไม่กลุ้เราก็ทำอะไรไม่ได้มาจากวันนี้ขอโอกาสครับวันนี้มีคนฟังเยอะเลยครับใน f a c e b o o แปด9้อยหกสิบเก้าคนใน y o u t u หก6้อยห้าสิบสองคนในขับเฮาส์สิบสองคนวันนี้มีเพื่อนๆฟังทมพร้อมกันหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบสาคนครับน อาจจะเป็นเรื่องขอหัวข้อที่ถูกใจคนคนอยากจะรู้เรื่องกรรมมากอันนี้หวังว่าคงจะได้ความเข้าใจดีขึ้นหายสงสัยในเรื่องของกรรมได้ได้ไปไม่มากก็น้อยก็ขอความยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาดูความธรรมกันสําหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติ เร้วความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์นาธูขึ้นีเสียงเราดังพอใช้ได้มันยครับอาจะรได้ครับอาจารย์ครับไช้ได้นะโอเคครับก็มีท่านี้ยั้ไว่นี้โอกาสหน้าคอยพบกันถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันที่เก่าเวลาเดิมขออนุโมขอขอเจริญพรครับกลับขอบพระคุณอาจารย์ครับ